เตอผ่อนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านการที่มีการมาพัฒนาตนเองในหลักสูตรนี้ก็สอดคล้องกับสุภาษิตที่ว่านกมองไม่เห็นฟ้าปลามองไม่เห็นน้ำไส้เดือนมองไม่เห็นดิน อะไรที่เราทำจนคุ้นจนชินเราจะมองไม่เห็นเงื่อนของปัญหาเหมือนกับยาปากข้อหรือผงเข้าตาบางสิ่งบางอย่างน่าจะแก้ไขได้ง่ายแต่เพราะความที่เราอยู่ข้างในสถานการณมันจึงดูเป็นมีอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้อง การมาฝึกอบรมก็คือการถอยใจออกจากสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยแล้วมาฟังวิทยากรมาชาร์จแบตเตอรี่แล้วมองย้อนกลับไปในสถานการณ์จริงที่เราทำงานมันจะมองแบบประวิสัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองน้อยหน่อยและเราจะเห็นทางออกของปัญหา ในลักษณะดเดียวกันการทำงานด้านการบริหารท่านทั้งหลายก็ทำอยู่แล้วเป็นงานปกติประจำแต่จะใช้ธรรมะมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเนี่ยเราก็จะถอนใจออกจากสถานการณ์ที่เราคุ้นเคยชิน มาตรวจสอบตนเองธรรมะเป็นเรื่องของการประเมินการตรวจสอบการวัดตัวเราเป้าหมายก็คือเพื่อเตือนตนอันตนาโจทยั ต, ตาดำจงเตื่นตนด้วยตนเองฉะนั้นเป้าหมายในการบรรยายก็อยู่ตรงนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ธรรมะในการสอนตนเพราะใครก็คงจะสอน ผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ในอุค์กรเนี่ยไม่มีใครกล้าเอากับพรวนมาผูกขออแมวดังนั้นเป้าหมายของการพูดก็คือพูดถึงกรอบของธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็ถามตัวเองว่าเราทำได้แค่ไหนเพียงไรแล้วเราจะพัฒนาไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรเรื่องแรกสุดก็คือ การประยุกต์ธรรมะเพื่อการบริหารเนี่ยการบริหารคืออะไรแ ล, แล้วประยุกต์ธรรมะเรื่องอะไรบริหารในความหมายของอวิชาการทั่วไปก็คือการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคนอื่นเมื่อมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเราทํางานให้สําเร็จโดยให้คนอื่นนั้น ทำตามที่เราต้องการก็เป็นการบริหารในมุมมองของตะวันตกแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านมองการบริหารเนี่ยมันเริ่มจากภายในบริหารตนบริหารคนเนี่ยบริหารจึงมามีคําเกี่ยวข้องทั้งตัวเราและคนอื่นผู้บริหารต้องสามารถ ทำเองก็ได้อลังกาตรตุ่มอลังสังวิทาตุงจัด ก, การให้คนอื่นทำก็ได้เพราะฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างมันอาจจะต้องแก้ที่ตัวเราอลังกาตรตุ่มเพื่อให้เราเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็จัด ก, การให้คนอื่นทำก็ได้โดยในนี้การบริหาร จนเกี่ยวข้องกับตัวเราบริหารตนและบริหารคนอื่นแล้วก็บริหารงานอย่างว่าผู้บริหารที่พระเจ้าได้นิยามความหมายไว้เนี่ยจะต้องมีลักษณะ3ประการก็เป็นตัววัดเราอีกใครจะเป็นผู้บริหารที่ดีต้องมีลักษณะ3ประการประการที่1จับครูมา มีสายตาที่ยาวไกลมองกไกลจักสุตัวนี้หมายถึงปัญญาจักสุตาเห็นปัญญาเราเป็นผู้บริหารต้องวางแผนต้องมีวิสัยทัศน์เนี่ยก็คือจักสุมาพระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างว่าพ่อค้าที่ไปค้าขายในอินเดียสมัยก่อนเนี่ยไปค้าขายต่างเรือนเขาไปเป็นกองคารวานเหมือนเรื่อง ก, การปัะนตเนีย่ยห้าร้ยเล่มเกวียนเยนะ ใครไปเมืองราชคฤึ้เขาเรียกเป็นจกิรีนครนยภูเขาห้าลูกล้อมเป็นชทยภูมิที่ดีมากมันจะมีทางออกอยู่เส้นทางเดียวเป็นเป็นหุบเขาให้เข้าออกถ้าท่านไปแล้วท่านไปดูตรงนั้นเนี่ยเขาจะเก็บไอสถานที่ที่กองคารวานเนี่ยห้าร้อยเล่มเกวียนมันเข้าออกเป็นพันปีเลยนะจน แผ่นหินฟนี่นะลาแผ่นหินเนี่ยโดนล้อล้อเกวียนเนี่ยบดเนี่ยเป็นล่องลึกเลยเป็นทางยาวเขาเขียนว่าทางโบราณคดีนะคะจะถักป้ายไว้นี่คือทางเข้าออกของเบญจากิรีนครก็คือราชครึ่เมื่อกองคารวานเนี่ยเดินทางไปผ่านที่กระดานเป็นแรลมเดือนเนี่ยผู้บริหารธุรกิจขัวหน้าเนี่ยจะต้อง วางแผนมองการไกลว่าจะไปซื้อของที่ไหนในฤดูกาลไหนได้ถูกและจะไปขายที่ไหนในฤดูกาลไหนได้ราคาดีมันมันเป็นเรื่องของปัญญานี่นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองวิธุโรจัดการธุระได้ดีคือความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ เป็นข้อค้าเพชรพ่อค้าพลอยต้องดูได้ว่าอะไรคือเพชรแท้เพชรเทียมอย่างนี้ไม่ใช่ใช้จมูกคนอื่นหายใจเสมอไปนี่คือข้อที่สองข้อที่สามนิสัยสัมปันนักนิสัยดีไปค้าขายต่างเมืองจะพึ่งใครถ้าเราติดตามเรื่องเส้นทางสายไหมเนี่ยระหว่างทางยุโรป มาเอเชียเอเชียพยุโรปมันมีอันตรายต้องขอบารมีของเจ้าเมืองเจ้านครคุ้มครองในอินเดียก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการมีมนุษยสัมพันธ์ไม่ว่าจะในเรื่องการคุ้มครองไม่ว่าจะเรื่องทุนจึงเป็นเรื่องสําคัญผู้บริหารจึงต้องมีสามอย่างหนึ่งมีปัญญามองกันไกล สองมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตัวเองนาและสามมนุษยสัมพันธ์ในสามข้อนี้ตั้งเป็นคำถามว่าข้อไหนสำคัญที่สุดขาดไม่ได้ใน3ามข้อเนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้ก็คือคานิยามของผู้บริหารทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องเข้ากับคนอื่นได้คือข้อสา ขาดไม่ได้แต่ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จการจะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จต้องมีอีกหนึ่งข้ออย่างน้อยพูดถึงความพอพอเหมาะพอพอเพียงข้อแรกถามถึงความจาเป็นจาเป็นก็คือข้อ3าแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์เป็นผู้บริหารที่ดีต้องมีอีกหนึ่งข้อ ระหว่างข้อหนึ่งกับข้อสองข้อไหนสาหรับท่า น, นเพราะท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงข้อหนึ่งจึงสําคัญเท่านี้พอเราเป็นผู้บริหารระดับสูงการวางแผนการมองการไกลเป็นเรื่องสําคัญแต่ถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้นระดับโฟเมนข้อไหนสำคัญข้อส อ, องเพราะฉะนั้นมาระดับสูงท่านก็มาเน้นข้อหนึ่งให้มากขึ้นแต่ข้อสาม ขาดไม่ได้ใน3มข้อนี้บริหารตนก็รวมอยู่ในนี้บริหารคนก็คือข้อสามบริหารงานคือข้อสบริหารตนบริหารคนบริหารงานรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยทำให้ท่านเป็นผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จบริหารตนบริหารคนบริหารงานแต่มาจะพูด ว่าในสามประเด็นนี้จะใช้ธรรมะอะไรบ้างเป็นกรอบทีนี้บริหารตนเนี่ยคืออะไรมีภาษาบาลีเป็นพุทธภาษตว่าจิตตังคุดตังสุขขาวหังจิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้พอมาถึงตัวเราการคุ้มครองไม่ใช่ร่างกายนะแต่จิตใจครองคือทั้งกายและใจนั่นแหละ แต่ท่านถือว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นการบริหารตนก็คือครองตนครองตนหมายถึงดำรงตนรักษาตนท่านเคยนึกถึงพระประถมบรมราชาชาการที่เก้าไบางคนเขียนผิด เราจะปกครองแผ่นดินโดยทาเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามไปใส่คำว่าปกไม่มีคำว่าปกเราจะครองแผ่นดินโดยทาเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามปกครองกับครองไม่เหมือนกันปกครองหมายถึงรูรูในภาษาอังกฤษครองหมายถึงเรนเป็นพระเจ้าแผ่นดิน การคลองตนไม่ใช่ปกครองตนภาษาไทยนี่คลองตนหมายถึงดำรงตนรักษาตนคลองแผ่นดินก็คือดำรงสิ่งที่ดีงามของแผ่นดินรักษาประเทศเอาไว้ไม่ใช่ปกครองโดยอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการมันต่างกันเนี่ยเพราะฉะนั้นอำนาจเนี่ยในการครองคนละอย่างเราคลองตนคือดำรงตนรักษาตน นึกถึงคำในรวัติศาตร์ที่อาเซบุนกี้ขอดูตัวเจ้าพระยายมหากษัตริย์สิทธิ์ตอนลบที่พิสุรุโลกแล้วพอพรมแล้วก็บอกว่าจงอุตส่ารักษาตัวไว้ภายหน้าจะได้เป็นกษัตริย์แท้คำว่ารักษาตัวนี้คือครองตัวให้อยู่รอดปลอดภัยอย่าให้ตกต่ำ อย่าอย่าเดินทางผิดถ้าเป็นสมมุติว่าครองตัวรักษาตัวเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่รอดปลอดภัยในฐานะผู้บริหารก็คือทำงานอย่าให้มันผิดคาดยิ่งใหญ่อย่าให้มันมีปัญหาชนิดที่แก้ยากในในอเมริกาเนี่ย กระบครูเคนเนดีตั้งแต่จอห์นเอฟเคนเนดีโรเบิร์ตเคนเนดีเนี่ยนะอย่างน้อยตัวน้องชายถ้าไปโดนยิงตายก็มีสิทธิ์เป็นประธานาธิบดีแล้วเสร็จแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเคนเนดีเนียเอ็ดเวิร์ดเคนเนดีอีกคนหนึ่งควรจะเป็นประธานาธิบดีแต่ไม่ได้เป็นเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปงานเลี้ยง กลับมาแกขับรถแล้วมีเลขาสาวนั่งคู่กันมารถมันตกไปในแม่น้ำแกว่ายน้ำออกมาได้รอดหมาเลขาจมน้ำตายเอ็ดเวิร์เรดเชเดดี้ถูกสื่อโจมตีว่าไม่รับผิดชอบไม่ช่วยหญิงสาวเพราะฉะนั้นคนเช่นนี้เป็นประธานาธิบดีไม่ได้เรื่องนี้ ทำให้เขาเป็นเซเนเตอร์เป็นวุฒิสมาชิกจนตลอดชีวิตขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยคือสิ่งที่บางครั้งถ้าเราประคับประคองตัวเองเนี่ยมันไปเรื่อยๆไม่ให้มีความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่การดำเนินชีวิตมันเหมือนขับเครื่องบินเราจะมาสอน ที่การบินไทยพวกกับตันพวกแอร์เพเซอร์พวกไฟล์เมนเจอร์เนี่ยแล้ววันหนึ่งขึ้นเครื่องบินเขาเขาพบอาตมา ก, ก็บอกกับตันบอกนิมนต์ท่านไปดูข้างในเนี่ยในคอรกพิดในเครื่องที่คุมเครื่องบินห้องขับกับตันแล้วเขาก็บอกมาท่านเดี๋ยวนี้นะการขับเครื่องบินเนี่ยมันคอมพิวเตอร์คุ ม, มเลยอัตโนมัติตั้งแต่ ขึ้นจากรันเวย์จนไปแตะสนามบินปลายทางนี่สามารถคำนวณเวลาได้เลยเพราะมันบินด้วยคอมพิวเตอร์ไม่งั้นมันจะไม่มีตัวเลขบอกว่าจะถึงใ น, ในกี่ชั่วโมงตอนนี้เหลือเวลาเท่าไหร่ในมันขึ้นจอได้หมดเลยเพราะคอมพิวเตอร์แต่เาก็ถามว่ า, าแล้วมีกำตันเอาไว้ทำอะไรในเมื่อทุกอย่างมันอัตโนมัติเขาบอกว่า ในทางปฏิบัติเวลาเครื่องมันขึ้นเนี่ยนะมันก็ต้องต้านกระแสลมบิ น, บนทวนโลกหมุนอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีพายุที่ก่อนจะไปเนี่ยมันยังไม่มีพอจะลงสมมติอีกสิบยี่สิบสองชั่วโมงขึ้นหน้าพอจะลงสนามบินมันเกิดพายุอะไรมันต้องหลบกับตันมีเอาไว้ขุมไม่ให้เครื่องบินเนี่ยมันออกนอกทางบินไปบินมานี่มันมันมันต้านกระแสลมบ้าง บินทวนโลกที่หมุนนะ่ยมันออกนอกทางต้องคอยเช็คตลอดเวลาแล้วเวลาจะลงสนามบินถ้าเจอกลุ่มเมฆที่อันตรายเขาจะมีอจอเรดาร์ที่น้าปัดเลยอย่างเมฆข้างหน้านี่ถ้าเป็นสีแดงนะมันขึ้นสีแดงในจอเนี่ยแสดงว่ามีฟ้าผ่าฟ้าแลบในนั้นหลบถ้าสีเขียวไปได้ กัปตันจากพิจารณาว่าอะไรเป็นอันตรายรอยอยู่เบื้องหน้าซึ่งในปี 2,526 กัปตันเครื่องบินกอลิเยียร์ไลน์เนี่ยตรวจสอบไม่ได้ว่าตัวเองบินออกนอกเส้นทางควรจะบินในเส้นทางที่กำหนดเป็นน้านน่า น, นฟ้าสากล ตบินเข้าไปในหน้าน้านําของสหภาพโซเวียนนานฟ้าของสหภาพโซเวียตในสมัยนั้นสงครามเย็นเครื่องบินรบของโซเวียตขึ้นมาเตือนก็ก็ออกก็ไม่ไม่มีไ ม, ม, ไม่ตอบสัญญาณไม่รู้เป็นอะไรบินเข้าไปในเขตเขาแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าไปอีกเครื่องบินมิกซ์ของโซเวียตสมัยนั้นก็เลยยิงร่วม คนตายไปสองร้อยกว่าคนฟรีเลยเข้าไปตรวจสอบก็ไม่ได้เพราะสมัยนั้นมันยุคสงครามเหญ่เกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้เพราะตรวจสอบไม่ได้แต่นี่ที่แน่ๆก็คือกับตันไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าเข้าไปในน้านฟ้าเขาเครื่องบินลบมาเตือนก็ไม่ยอมออกก็เลยโดนยิงร่วง ผู้โดยสาร2องยชีวิตเป็นอย่างน้อยตายการการขับเครื่องบินแม้มันจะเหมือนกับการดำเนินชีวิตคือเราอยู่กันอย่างอัตโนมัตินะประสบการณ์บ้างอะไรบ้างก็พาเราตัดสินใจไปไม่มีการตรวจสอบเดรด้าไม่มีการฟังสัญญาณไม่มีการออกว่าเช็คว่าเราอยู่ที่ไหนสมัยรู้ดผมไม่มี G.P.S. ชัดเจนอย่างนี้ การดำรงชีวิตที่สำคัญก็คืออย่าไปออกนอกทางเส้นทางที่ควรเป็นคนทมประคองตนรักษาตนบริหารตนซึ่งธรรมะจะช่วยแต่มีภาษิตว่าวินาสกาเลวิปริตาพุท ธ, ธิในยามจะพินาศความรู้มักวิปริตความรู้นี้คือ knowledge information ไม่ใช่ว i s d ด m ไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตมันจึงจะต้องมีปัญญาไม่ใช่เพียงแต่ความรู้ในศัพท์ในทางศาสนาตัวความรู้คือสุตตปัญญาไอ้ d o m Knowledge นี่คือสุตตปัญเอวิสเดคื อ, อคือปัญญา อย่างท่านมานั่งฟังบรรยายเนี่ยมาเรียนเนี่ยได้สุตตะคนที่จำได้มากรู้มากเป็นข้อมูลมากเขาเรียกพ่อหูสูตรแปลว่ามีความรู้มากไม่ใช่มีปัญญามากแต่ภาษาไทยมันใช้ความรู้กับปัญญานี่คลกันแต่ในภาษาอังกฤษก็ไม่ก็แยกเป็นสองคมเป็น knowledge ความรู้คือสุตตะปัญญาคือ wisdom ที่มา มาเรียนเพิ่มเติมคือแสวงหาปัญญาปัญญาในการบริหารไม่ใช่ความรู้ในการบริหารท่านมีแล้วซึ่งปัญญากํากับไม่ให้ความรู้วิปริตทาไมเรามีคุญซื้อตั้งเยอะแยะแนะนําเราแต่เราเลือกตามคนนี้ไม่ตามคนโน้นแล้วมันเกิดหายนะมันอยู่ที่ปัญญาแนละ้วปัญญาคืออะไร มันสำคัญในการบริหารอย่างไรเพราะฉะนั้นเป้าหมายในในการพัฒนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ใครประสบความสำเร็จมากน้อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความรู้แหละ information คําว่าความรู้คืออะไรความรู้คือการรับข้อมูลข่าวสารบวกกับความคิดของเราเอามาย่อยมาผสมและเอาไปใช้ได้เอาไปใช้พูดใช้เขียนใช้ทํามันไม่ใช่อินโฟเรเมชั่นไม่ใช่ข้อมูลอย่างเดียวที่จะมาพูดด้วยตั้นเนี่ย ท่านคิดด้วยแล้วท่านเอาไปใช้เท่าที่เอาไปพูดเอาไปคิดไปอะไรต่อนั่นคือความรู้และความรู้เนี่ยในยามจับพินาเราไปได้ข้อมูลที่ผิดพลาดมันก็พาให้ออกนอกทางหรือมีอคติอ่ะอคติมันบังตาเราทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดมันไม่ได้ข้ามพ้นอคติการข้ามพ้นอคติต้องใช้ปัญญาปัญญาคืออะไรจะมาจะอธิบายต่อไป ไปดูในเพราะฉะนั้นชีวิตที่พึงประสงค์ในโรมคติคือเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวปัญญาชีวิงชีวิ ต, ตมต่มาหูเษฐันปราทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตที่มีปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดชีวิตที่ประเสริฐก็มีแต่ประเสริฐที่สุดเนี่ยเป็นปัญญาชีวีปัญญาชีวิต เหมือนกับเครื่องบินที่มันมีระบบการนำร่องที่ถูกต้องการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ประสบหา ย, ยานะคนไม่มีปัญญาก็เหมือนคนตาบอดที่เหยียบไปได้แม้บนไฟที่ส่องทางไฟถ่องทางคือความรู้แต่คนตาบอดไม่มีปัญญาเหยียบไปบนไฟที่ส่องทางปัญญาคืออะไรอาจารย์จะพูดถึงความสําคัญของปัญญาก่อน โซคลาติสบอกว่า and an ex mean life is not worth living ชีวิตที่ไม่ใช้ปัญญาตรวจสอบไม่มีค่าควรแก่การดำรงชีวิต ก, ก็แบบเดียวกันในลักษณะเดียวกันสมาจะไปเร็วนะเพราะมีหลายประเด็นแต่ว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องที่ระบบเดียวกันนั่นแหละไม่ได้ทีนี้มนถึงประเด็นที่เอาเป็นว่า ชีวิตที่พึงประสงค์เป็นชีวิตที่ตัดสินใจไม่ผิดพลาดมีปัญญาเป็นตัวนาแต่อยู่ๆไม่ใช่ปัญญาเกิดเรามักจะไปนึกแต่ว่าเราจะต้องพัฒนาปัญญาแต่พัฒนาย่างไรแล้วตัวปัญญาคืออะไรในในภาษาไทยเราจะได้ยินสองคำสติปัญญาเราไม่ได้บอกปัญญาอย่างเดียวนะในทางปฏิบัติเนี่ย มันจะมีคําว่าสติปัญญาแสดงว่าสติเป็นฐานของปัญญาส่วนความจําสัญญาเป็นฐานของความรู้ของ k n โนเลจแต่สติเป็นฐานของปัญญาทีนี้ถ้าท่านไม่มีสติปัญญาไม่เกิดสติมาปัญญาเกิดสติเลิดมักเกิดปัญหาท่านว่าอย่างนี้ทีนี้ สติคืออะไรสติคือที่เร า, เาที่ที่เรามักจะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า mindfulness หรือ awareness มันไม่ใช่ k n o l e d g e นะคือ aware aware ก็คือตื่นตัวรู้ถันสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นี่เดี๋ยวนี้ บางทีเราจะได้ยินภาษาฝรั่งว่า here and now ที่จริงก็คือสตินั่นแหละสติคือที่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าท่านมีสติคือในภาษาไทยคือไม่ใจลอยไม่ใจลอยก็คืออะไรที่กำลังสนใจอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยท่านใส่ใจรับรู้ แต่ถ้าเกิดว่าตัวท่านอยู่ที่นี่กําลังมองกําลังฟังเนี่ยแต่ใจท่านวิ่งกลับไปสู่อดีตไมงคิดไปสู่อนาคตแต่ไม่อยู่กับปัจจุบันเราเรียกว่าขาดสติชัดเจนมากตอนขับรถอะ่ะทาไมเขาไม่ให้คุยโทรศัพท์มือถืออะ่ะเป็นคนหมายทั่วโลกเลยเพราะว่าพอคุยเนี่ยนะท่านใจที่จริงมันควรจะอยู่สัญญาณไฟจาราจรหรือรถตัดหน้าหรืออะไรต่าง พราท่านคุยใจท่านจะไปอยู่กับเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องขับรถคือไม่มีสติในการขับเราเรียกว่าขับรถโดยประมาดประมาดในภาษาธรรมะหมายถึงขาดสติคำว่าประมาดนี่ขาดสติฉะนั้นถ้าท่านมีสติไม่ประมาดศีนไม่ขาดพลั้งปากเสียศีน พลังตีน ต, ตกต้นไม้อะสัมพันธ์กับเรื่องสติมาเลยทีนี้ถ้ามีสติรู้ทันสิ่งที่เฉพาะหน้าที่นี่เดี๋ยวนี้อะไรเกิดกับเราคือมาจากภายนอกและอะไรเกิดภายในเราคือเราคิดอะไรเรารู้ทันหมดคือมีสติเมื่อกี้พูดถึงจราจรขับรถออกไปเนี่ยเราเห็นรถเออเมื่อสัญญาณไฟสัญญาณไฟมันเกิดกับเรา เรารู้ถัดนี่เป็นสิ่งภายนอกสิ่งสำคัญคือภายในขั้นคงได้ยินเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเร า, เรารู้ตัวรู้จิตของเราจิตกโกรธก็รู้ว่ากำลังโกรธโลกก็ให้รู้ว่าโลกโกลัวก็ให้รู้ว่ากลัวส่วนมากคนโกรธเนี่ยบดานโทสะเนี่ยมันไม่รู้มันก็เลยฆ่ากันตาย แต่ถ้าเขารู้ทันว่ากำลังโกรธเนี่ยก็จะจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจความโกรธท่วมท้นจนกระทั่งยิงกันตายโดยที่ไม่ได้ไต่ตรองอะไรไว้เลยทำในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่อยากจะทำกลัวขึ้นมาก็วิ่งป่าราบช็อกตายกลัวผีกลัวอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีสติตรงนี้นะสติคือตรวจสอบว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น ภายในเราควบคุมให้ได้หรือสถานการณ์ข้างๆรอบๆเนี่ยรู้ทันว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้นเราตัดสินใจได้ถูกต้องกับสถานการณ์นั้นๆถ้าคนด่าเราเราควรจะด่าตอบหรือควรจะเฉยหรือควรจะยิ้มเฉยๆโกรธทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเรามีสติเราจะเฉยๆเรียบๆเพราะว่าคนที่ด่านี่เป็นผู้ใหญ่สมมตินะ การตัดสินใจตอนนั้นต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาษาธรรมะเรียกการตัดสินใจให้สอดคล้องว่าสัมปชัชญะสติจึงมาคู่กับสัมปชัชญะสัมปชัชญะหมายถึงปัญญาท่านปัญญาที่นาํามาแก้สถานการณ์มาใช้สถานตัดสินเฉพาะตรงนั้นตรง น, น, รงนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกสัมปชัชญะ เพราะฉะนั้นคนที่มีสัมปชัญญะเนี่ยถึงจะโดนด่านะตอนหน้าทาาแล้วกำนันก็วางตัวเขาเรียกสุขุมจริงๆนะโกรธเพราะเราต้องการเอาชนะด้วยวิธีหนึ่งปัญญาบอกว่าในสถานการณ์นี้ไม่ควรทำแต่ถ้าเราไม่มีสติเราโกรธเราคุมไม่อยู่นะท่านเคยได้ยินโครงโลกกันนี้ได้ไหมนาคีมีพิษเพีย้ยน สุริยเลือ้อยบ่รรมเดโชเช่มช้าพิษน้อยยิงโยโแมะแลงปอกชูแต่หางเองอ้างปวดอ้างฤทธีเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาไม่ใช้บ่อยแต่เขาจะต้องมีสติชนะตัวเองก่อนจึงจะชนะคนอื่นคุมตัวเองได้ก่อนจึงคุมคนอื่นได้ การที่เราจะคุมคนตนเองนะเพื่อชนะคนอื่นเนี่ยมาจากสติและการตัดสินใจว่าควรหรือไม่ควรสติแค่รับรู้แต่การตัดสินใจต้องอาศัยปัญญาปัญญาที่มาใช้เฉพาะหน้าเรว่าสัพพัญญะเพราะฉะนั้นสนติปัญญานั้นจะมาเทียบให้ดูนะันสติปัญญานี่แหละที่ทำให้คนประสบความเร็วในชีวิต มากน้อยต่างกันเด็กที่เรียนหนังสือมารุ่นเดียวกันเนี่ยทําไมชีวิตเจริญไม่เท่ากันเนี่ยฝรั่งเขาศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งเรียนจบมาจากเรื่องของเซลล์ควบคุมการควบคุมตนเองคนที่ไม่มีการควบคุมตนเองเนี่ยไปแต่งงานก็ครอบครัวแตกแยกไปทํางานก็ทะเลาะกับเจ้านายเพราะฉะนั้นจึงเกินทฤษฎีขึ้นมาว่าเพียงแต่ฉลาดไอคิวอย่างเดียวไม่พอ ต้องมี EQ ด้วยนะ Emotional Intelligence Emotional Intelligence ความฉลาดในอารมณ์ก็คือสติท่านพอมีสติรู้ทันว่าตอนนี้อารมณ์ของเรามันเป็นยังไงคุมให้อยู่ทำให้ถูกต้องท่านจะเกิด EQ ทันทีฉะนั้นสติเป็นฐานของปัญญาที่ใช้สถานการณ์เฉพาะน้ะ ถ้าท่านมีปัญญาที่เป็นฐานอยู่แล้วนะแต่บางคนเนี่ยเอามาใช้ไม่ทันเขาเรียกความรู้มันลื่นใช่ไหมเพราะท่านขาดสัพชัญญะสติจึงเป็นตัวที่ทําให้ท่านดึงเอาปัญญามาใช้ในสถานการณ์เฉพาะหนะ้าเอาความรู้มาใช้ได้เพราะมันมีสัพพัญญะไงโบราณยังบอกว่าสติมาปัญญาเกิดสติตล erton มักเกิดปัญหา แล้ว เ, เราเสียใจายภายหลังเมื่อเกินทําไมเราไปพูดอย่างนี้เราไปทําไมไปตอบอย่างนี้ถ้าย้อนไปได้ใหม่เราจะทําแบบนั้นแบบนี้เนี่ยบางทีโมโหตัวเองก็เพราะว่าในขณะนั้นสติเราไม่ได้ทําหน้าที่เฮสบูรณ์ปัญญาคือคือข้อมูลอะไรที่ถูกต้องที่เรามีมันจึงมาไม่ทันถ้าท่านคุมสติได้อยู่ยังยังเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไฟในห้อง ประชุมดับขึ้นมาเมันมีทางออกอยู่นะ exit เ, เนี่ยแต่เวลาคนไม่มีสติแตกตื่นมันวิ่งเหยียบกันตาย panic อะ่ะถ้าตั้งสติได้เนี่ยนะแล้วก็ไม่วิ่งไปให้เขาเหยียบเนี่ ย, ยนะแล้วมันมีทางออกอยู่ใต้ล้วทำไมต้องวิ่งไปทางนั้นนี่คือสติมาปัญญาเกิดสติเลิดมันเพิ่มปัญหาเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะพูดผิดมัดคอตัวเองอะ่ะ เวลาตำรวจตจะมาเห็นเนี่ยตำรวจเขาจับใช่ไม่ในต่างประเทศเนี่ยจับใครก็ต่างเขาจะพูดเลยว่าสิทธิก็คือว่าเวลาคุณพูดอะไรเนี่ยนะให้ระวังนะมันจะกลายเป็นหลักฐานเรื่องอะไรต่างมามัดคอคุณคิดให้ดีก่อนเตือนสติไม่ไปเพิ่มปัญหาบางเรื่องบอกยังไม่ให้การในไปให้การในชั้นศาลบางทีเขาต้องคิดก่อนเพื่อไม่เพิ่มมันเป็น damage control เน่ยควบคุมความเสียหาย ซึ่งมันไม่ใช่สัญญานะสัญญาคือความจำเนี่ยมันเป็นฐานของ k n l e เล e ของความรู้แต่สติเป็นฐานของปัญญาเราต้องฝึกสติละทีนี้ปัญญาคืออะไรบ้างปัญญาไม่ใช่ความรู้ในเอาลากศัพสองสองภาษาเลยก็แล้วกันตัว wisdom เนี่ยตัวตัวปัญญาเนี่ย wisdom ในภาษาอังกฤษเนี่ย ลาคสับมันหมายถึงรู้ความสัมพันธ์มันเป็นศัพท์ทางศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามองรีเลชั่นชิพนะระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าก็คือมันเกิดที่ความรู้จะอย่างถึงมันลึกซึ้งนั่นในในลากศัพท์ภาษาลาตินน่ยหมายถึง wisdom หมายถึงความสัมพันธ์ ทีนี้ถ้าเราเห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งเนะ่ความเป็นเหตุเป็นผลของสรรพสิ่ง cause and effect เนี่ยมันเป็นปัญญาในทางวิทยาศาสตร์เราเห็นอไอ้ก้อนดินที่มันโยนขึ้นบนบนท้องฟ้าแล้วมันตกมาเนี่ยมันเป็นความรู้มันเป็น information apple ที่มันตกลงมานี่มันเป็นความรู้มันเห็นเป็น fact เป็นข้อเท็จจริง แต่คนอย่างไอแซคนิวตันเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำกับแอปเปิลและตกมาเป็นแรงโน้มถ่วงอะ่ะมันรู้มากกว่าที่เห็นเข้าใจมากกว่าที่ฟังนะนี่คือปัญญาในทางวิทยาศาสตร์ในทางพุทธศาสนารู้รอบกับรู้ลึกรู้รอบคือรู้ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งภาษาธรรมะเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาททำไมไม่อธิบายนะปฏิจสฏจสมุปบาทคืออะไรเนี่ยเพราะมันจะกินเวลาเ <c oughs> มื่อสิ่งนี้มีอิมัสมิงสติอีกทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะมีทุกข์เพราะมีสมุทัยไงดับสมุทัยทุกข์กระดับมองสกความการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าอาศัยการและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอยู่ได้ในตัวมันเอง นี่คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วบอกว่าอริยสัจสีก็ถูกอริยสัจสีก็คือมีเหตุมีผลดับเหตุผลก็ได้ก็คือทุกสมุทัยนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทปฏิสมุปบาทเป็นเรื่องของหลักการมองสิ่งต่างเป็นเหตุเป็นปัจจัย แล้วเอาหลักการนั้นเนี่ยมาดับทุกข์เราเรียกว่าตรัสรู้อริยสัจก็ได้ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทการรู้ปฏิจจสมุปบาทคือรู้รอบมันไม่ใช่รู้แต่ว่าอะไรเป็นอะไรแต่สิ่งที่เป็นบริบทเชื่อมโยงทำไมจึงมาถึงจุดนี้เนี่ยและจากจุดนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญา นะจะเห็นความเชื่อมโยงเชื่อมโยงอย่างไหนจากอดีตมาสู่ปัจจุบันจากปัจจุบันคาดการไปสู่อนาคตเรามักจะพูดเรื่องเทรนด์ใช่ไหมแนวโน้มอะ่ะนี่คือแล้วเราก็ยอมจ่ายสตางค์แพงๆให้กับผู้ที่มีปัญญาตอนนี้เขาขายไอเดียเรื่องอะไรท่านไทยแลนด์สี่จุดูนย์เทรนด์เนะ ขับเพื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตคนที่จะพูดเรื่องนี้จะต้องมองเห็นความเชื่อมโยงจากไทย i l น n ์ 1.02.30 4.0 นำไปสู่ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ high income country ประเทศที่มีรายได้สูงเหมือนเกาหลีญี่ปุ่นเขากำหนดเหตนนะุเพื่อไปสู่ผล อันนี้พูดในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองในทางการบริหารเช่นเดียวกันเวลาท่านลงนามคาสั่งไปเนี่ยคิดไม่ว่าผลอะไรจะตามมาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะพูดอย่างไรแล้วมันจบไม่ใช่พูดแล้วไปเสริมเขาเรียกปัญญาคนไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ดูตามมาต า, า, ต า, าเรือเพิ่มปัญหานี่คือรู้รอบแต่ ในทางพุทธศาสนา ย, ยังมีอีกความหมายหนึ่งของปัญญารูล้ลึกทําไมให้นั่งกรรมฐานท่านนั่งกรรมฐานเพื่อให้รู้ลึกเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นิจจังของไมโครโฟนมันไม่เกิดตอนนี้เพราะมันยังเป็นไมโครโฟนแต่ถ้าตกมันก็แตกเห็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกขังคือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลง อ น, นัตตาคือความไม่มีแก่นสารความเป็นไมโครโฟนในตัวมันเองไม่มีด้วยความรู้อย่างไงอย่างไงมันก็เป็นไมโครโฟนแต่พอถึงปัญญาเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์นยเอาพระจริงไมโครโฟนมาจากอะไรมันจะมีสมัยก่อนเขาเรียกบิลดิ้งบล็อกสิ่งที่มาเป็ น, เ ป, นเป็นฐานเล็กที่สุด แล้วเอามารวมกันเป็นไมโครโฟนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้บิ l ดิ้งบล็อกของโลกนี้คืออะตอมอะตอมเป็นภาษากรีกแปลว่าสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้เล็กสุดเลยอนะตอมเนี่ยแต่ผู้สนาสอนมาสองพันปีแล้วอะตอมก็แบ่งได้เราเรียกอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เฉพาะคนนะส า, ารสิ่งมันมันไม่มีแก่นของมันมันเป็นอนัตตา ไมโครโฟนก็เป็นนอนอะตอมคือมันแบ่งได้คนกรีกบอกว่าแบ่งไม่ได้อินเดียาศาสนาพราหม์บอกแบ่งไม่ได้มันจะมีเล็กที่สุดแต่พอมาร้อยปีที่แล้วมันแบ่งได้นะท่านอะ <At om S 1> ตอมกลายเป็นนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนเป็นประจุไฟฟา้าหมดเลยปัจจุบันเรียกควอนตัมควอนตัมฟิสิกส์อ่ะเรียนรูโครงสร้างของอะตอม แบ่งมาเลยเป็นพลังงานหมดการมองตัวเราเป็นอนันตา ก, ก็บแบบเดียวกันมองสรรพสิ่งว่างมันจึงมาถึงคำว่าสุญญาตาโดยสุดุันไม่ได้เป็นอะไรเลยพูดอย่างนี้มันขัดกับ information อิน o ฟ m รเมชั่น่ไที่เรามองเห็นแฟกตแต่มันต้องรู้ลึกด้วยปัญญามองไปถึงเบื้องหลังของปรากฏก า, าร์ใครหลอกไม่ได้ คนนี้หน้าตาเหมือนกับดีๆน่าเชื่อถือแต่เวลาท่านวิภาคษสาตรตัดสินมันมองทะลุไปถึงก้นมึงปุพนิสสายจิตใจเขารู้ลึกในการบริหารเนี่ยเราจะไว้ใจลูกน้องเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ดูประวัติเขาดูหน้าตาเขาบางทีเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าทำไมเราจึงไม่ไว้ใจคนนี้ทำไมเราจึงไว้ใจคนนั้นดูจากพฤติกรรมบ้างดูอะไรผสมกัน เขาเรียกว่าปัญญาในการบริหารคนในเรื่องสามก๊กเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องจริงในทางบาริษัทในเรื่องของการยั่งทะลุไปถึงนิสัยคนและใช้คนได้ถูกกับงานเนี่ยพุทธไรแมนอ r t ิจช็อปเนี่ยใช้คนให้เหมาะกับงา น, นปัญหาคือไองานอยู่ตรงนี้แล้วใครมันเหมาะละ่ะคนที่เก่งที่สุดคือของบิง๊กเมื่อโจโฉโดนเผาบองทัพเรือเนี่ยควรจะเอาใครไปจับจับโจโฉ มันขึ้นอยู่กับนโยบายว่าจับแล้วปล่อยหรือจับแล้วฆ่าถ้าจับแล้วฆ่าต้องเตียวหุยแต่คงเบ่งใช้กวนอูโดยที่บอกว่าไม่ใช้นะเพราะเดี๋ยวคุณก็ปล่อยข อ, อของเอ่อขงเบ่งบอกไม่ใช้กวนอูคือเป็นด่านสุดท้ายเลยนะจับละสกัดมาคนละด่านถ้าท่านคงเดี๋ก่อกคงเบ่งบอกเดี๋ยวกวนอู ก, ก็ต้องปล่อยเพราะฉะนั้นไม่ใช้กวนอูบอกทําทันโบเลยถ้าปล่อยโจโฉนะ ตัดคอข้นไปเจ้าเลยพูดต่หน้าเล่าปีแล้วของเบก็ใช้กวนอูไปเป็นด่านสุดท้ายเราถึงเวลาจริงๆขึ้นมาโจโฉหมดทางแล้วเพราะทหารหมดแล้วเหลือผู้ติดตามไม่กี่คนเจอกวนอูขึ้นมาจะลบก็ตายโจโฉเลยทวงบุญคุณที่ปล่อยไว้ชีวิตให้หนีมากวนอูนึกได้ไว้ชีวิต เราจึงเรียกว่าเทพพระเจ้าเป็นความสะเสือโคโนะจากเหตุการณ์นี้ด้วยกลับมาให้คงเบ่งตัดคอเล่าปีถามท่านอาจารย์จะตัดคอพี่น้อ ง, องร่วมสาบานจริงๆเนี่ยคงเบ่งไม่ตัดอ่ะแล้วไม่เสียการศึกเนี่ยคงเบ่งบนะอกรู้อยู่แล้วไม่เสียหรอกรู้อยู่แล้วว่าโคโนะจะต้องปล่อยโจโฉทาไมอ่ะเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วมันไม่เสียการศึกนะไม่เสีย เพราะถ้าเราฆ่าโจโฉตายตอนนี้นะกกซุนกวนจิวยี่ขย้ำเราเนี่ยปล่อยไปทวงดุนดีกว่ามันเลยกเกิดสามกกเซุนกวนจิวยีหวว่หนึ่งกกโจโฉหนึ่งกกเล่าปีของเบงอีกกกหนึ่งปัญญาในทางการเมืองในการอ่านคนลึกซึ่งอ่านคนออกอย่างนี้เอ a มบเอที่ไหนเขาก็ไปสอนกันฉะนั้น เราก็ต้องรู้รอบคือเชื่อมโยงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยามาชอบนะที่โบราณท่านบอกว่าเสือผีเพราะป่าปกป่ปารบเพราะเสืออยางดินดีเพราะหญ้าบังหญ้าหยางเพราะดินดีนี่คือปฏิชนบทในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่สนใจทำลายป่าทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่โบราณเนี่ยท่านรักษาธรรมชาติด้วยปฏิจจสมุปบาท รู้ลึกอย่างที่เรามาว่าอ่านคนออกเคยได้ยินคำนี้ไหมรู้หน้าไม่รู้ใจรู้ใจเมื่อไรคนเป็นอย่างไรเนี่ยรู้ระดับปัญญารู้ลึกสรุปนะรู้รอบรู้ลึกคือปัญญาในคลาดบริหารจึงกำหนดว่ารู้ตนแต่มาพูดแล้วรู้ตน รู้คนรู้ลึกน่อรู้รอบรู้ลึกเนี่ยในเรื่องรู้ตนรู้คนรู้งานรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่การรู้สําหรับการบริหารเนี่ยรู้ตนรู้คนอื่นรู้ลึกมาเลยนรู้งานรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่ตกม่ะอธิบายไป้นรู้ตนรู้คนรู้งานรู้งานนี้จะพูดต่อไปรู้เท่ารู้ทันคืออะไรรู้เท่าก็คือรู้รอบนั่นแหละ รู้เท่าถึงการรู้เท่าหมายถึงรู้เท่าถึงการนะเห็นเหตุแล้วคาดว่าผลอะไรจะตามมาในศัพปริสธรรมเขาเรียกว่าทำมันยุตารู้จากเหตุอาจถันยุตารู้จากผลนี่คือปัญญารู้เท่าหมายถึงเห็นเหตุแล้วพยากรณ์ได้ว่าผลลัพธ์อะไรจะตามมา แต่ก่อนนี้คนภาคใต้กลัวมากนะที่อยู่ชายทะเลกลัวสึนามิอัตมาไปช่วยเขาเนี่ยเขาบอกว่านอนไม่หลับเลยตอนเจอสึนามิเข้าไปสักเดือนแรกเนี่ยคนพูดตะโกนเรื่อยกันคืนว่าคลื่นยักษ์มาเลยวิ่งกันทั้งกลาคืนเลยเพราะมันรู้ไม่ทันว่าเมื่อไหร่สึนามิจะมาแต่พอทางการบอกนี้เรามีระบบตรวจสอบนะแผ่นดินไหวที่ไหนญี่ปุ่นเขามีไอ้ที่ตรวจสอบแรงนัำไว้ใจได้พยากรณ์ได้รู้เท่าเอาไว้ป้องกัน รู้ทันเอาไว้แก้ไขเรามาพูดแล้วเรื่องสติถ้าท่านรู้ทันว่าตอนนี้จะต้องกําลังเกิดอะไรขึ้นแล้วจะใช้สัมปชัญญะคือปัญญาอะไรเนี่ยมันแก้ไขได้ทันเพราะฉะนั้นรู้เท่าก็คือรู้กันรู้ทันคือรู้แก้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเท่านั้นในในเรื่องการบริหารตน สำหรับผู้บริหารเนะี่ยขอสองเรื่องเป็นภาษาบาลีว่าอย่างนี้ลีเนจิตตามหิปักข่าวโหจิตตกให้ยกจิตอุทธตัดสมิงวินิคข่าโหจิตลอยลงให้ค่มจิตการเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเนี่ยนะมันไม่มีใครมาปลุกใจท่านหรอกท่านต้องกระตุ้นตัวเองช่วงไหนท่านเฉยท่านผิดท่านทอแท้เนี่ยท่านต้อง มีสติรู้ว่าตอนนี้กำลังท้อแท้มันไม่สู้มันคอยจะถอยลูกน้องก็หมดกำลังใจทำโปรเจกต์นี้โดนมีปัญหาเยอะมีอะไรเยอะเลิกดีกว่าสังเกตคนที่จะเลิกเป็นคนสุดท้ายคือหัวหน้าจะเป็นลบ ก, กับค่าศึกลูกน้องหมดกำลังใจแต่คนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยมันจะต้องดูแลจิตใจตัวเองก่อนที่จริงตัวเองจิตตกท่านต้องยกมาให้สู้ การยกมาให้สู้อยู่ที่วิธีคิดคิดอย่างไรให้สู้คิดอย่างไรคือแพอยู่ที่วิธีคิดนี่ภาษาพระเขาเรียกโยนิโสมนัสิการโยนิโสมแปล ว, ว่าถูกต้องแยกขายมณสิการคือคิดถ้าท่านคิดบันสมัยนี้เขาเรียกคิดบวกนะโพสติสติซิงกิ้งมันก็คือโยนิโสมนัสิการคิดบวก คิดบางทีก็คือเป็นการคิดในเชิงปล่อยวางคนที่กังวลเนี่ยท่านเพื่อท่าจะเรียกว่าจิตว่างเนะี่ยคนที่กังวลในการสอบเครียดเตรียมสอบแล้วพอไปสอบคิดอะไรไม่ออกเพราะหลับไม่นอนไม่หลับทั้งคืนในสถานการณ์การคิดมันเป็นภยัย จิตตกคิดทะเลสู้แต่เครียดมากเนี่ยคือจิตมันลอยลมมันเหินขยันมากเบลอในข้อสอบเลยทําข้อสอบไม่ได้เพราะจิตลอยลมมันจะต้องดึงลงมาการดึงลงมาเรียกอุเบกขาท่านท่านจะต้องมีอุเบกขาการยกจิตเขาเรียกวิริยะวิริยะคือวีระแปลว่ากล้า ทำนยังไง้วก็ให้เรามีวิริยะแล้ว เ, เรียกว่ายกจิตพระนเรศวรเมื่อทราบว่าพมา่าทราบจากพยาเกียรติพยารามว่าพมา่จาจะฆ่าเนี่ยจิตตกไหมตกแต่ถิ่งที่เล อ, อกกลายเป็นประกาศอิสรภาพพระนเรศวรพลัดเข้าไปอยู่ กับพระนุชาทรงช้างเนี่ยไปเจอกับพมา่ายืน อ, อยู่บนหลังช้างเนี่ยช้างยืนกันเป็นยี่สิบเชือกเนี่ยล้อมเนี่ยพระนเร่วนกับพระนุชาตอนนั้นทำยังไงครับห น, นีก็โดนปืนยิงตายสู้มันก็ไม่ไหวครับสองต่อยี่สิบช้างเนี่ยจิตตกไหมและถ้าจิตตกสติมาไหมสติแตกแต่พระเนเรศวเนี่ย ท่านคุมสติอยู่แล้วท่านสาช้างไปท้ามหาปราชาตัวต่อตัวซึ่งไม่มีอะไรจะเสียในสายพระเนตรสวนเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียสู้ยังมีโอกาสชนะมันจึงเกิดยุธทธาธีแต่ในมุมมองของผู้ได้เปรียบมหาปราชาควรจะเสียงไหมลงไปรบตัวต่อตัวในะทังที่ตัวเองได้เปรียบ แต่เพราะว่าความเป็นส่วนตัวมันมีตั้งแต่อยู่พม่าแล้วชนไก่กันแล้วตั้งสติไม่ถูกความโกรธเมื่อถูกท้ามหาราชาเลยออกมาชนช้างในฐานะผู้นำทัพเนี่ยมันควรไหมผมเบกไม่เคยทำนะแบบนี้เรามองเรามองแต่ละคนเนี่ยฉะนั้นจิตตก ถ้าในเลสวนยกจิตแต่จิตลอยลมตัวเองมีพวกมากมีช้างเยอะกว่าเ ห, เหิมเหินเน่นะเชื่อมั่นเกินไปโอเวอร์คอนฟิรเนซ์ระหว่างมหาปราชาของมหาปราชาออกมาชนช้างเนี่ยเขาควรจะสงบเหมือนเหมือนใครมันควรทำเหมือนใครเวลาที่ขงเบ้งลบกับสมาอี่สมาอีสู้ไม่ได้ หลบอยู่ในกำแพงทรงผ้าถุงไปให้อะไรให้สมายอี้อกอารบไหมไม่มาสมายอี้รอจอกนกระทั่งองเบงป่วยตายไปเองเขาขงจิตแต่เขามีสมาธิไอ้สตินะและปัญญามันบอกว่าควรจะมุดอยู่ในกำแพงท่านเคยดูเรื่องออปรวัิสาตรเรื่องทรอยไหมละ่ะสงครามเมืองทรอยอ่ะกำแพงใหญ่โตมาก แต่เขาท้าลบก็ออกมาลบกับเขาอ่ะวนหน้าเมืองตรอย์ตัวแต่ตัวกับอคีเลสโดยใช่เหตุเลยแล้วก็พ่ายแพ้ในที่สุดเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องเอาอย่างเต่าจิตลอยลมต้องเป็นเหมือนเต่าแต่บางเรื่องต้องทําแบบพนเรส่วนมันแล้วแต่สถานการณ์และนั่นคือปัญญา ใครจะอยู่รอดหรือใครจะหายนะมันอยู่ที่สติมาปัญญาเกิดสติเตะเลิด์มาเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นจึงฝึกตนเองเสมอด้วยสติปัญญาอัตนาโจทย์ทยานตานักเตือนตนให้มันเหมาะเมื่อไหรท่านควจะปลุกใจเมื่อไรที่สุขภาพมันไม่ดีตอนนี้ต้องถอยนะเรามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะต้องหดหัวอยู่ในกระดองนะมันบุบบากไม่ได้นะ ระหว่างชีวิตเราเราจะอะไรไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาสู้กันเตือนตนเสมอทีนี้ปัญญาจะพัฒนาได้อย่างไรการพัฒนาปัญญาก็คือหนึ่งสุตตะมายปัญญาปัญญาคือรู้รอบรู้ลึกเนี่ยมาจากความรู้ knowledge สุตตะท่านจะเห็นเลยนะสุตตะตัวนี้คือ knowledge ตัวนี้คือปัญญามันไม่ใช่อันเดียวกันนะ่ะ คือปัญญาที่มาจากความรู้คือท่านหาข้อมูลไปเยอะแต่ท่านต้องมาคิดวิเคราะห์มันต้องย่อยมันมีแต่ความรู้แต่ท่านไม่มาคิดไม่มาย่อยไม่มาปรับให้ใช้ประโยชน์อย่างท่านนั่งฟังอมาแต่ท่านไม่ไปย่อยว่าเราเราเรานี่จะทำได้แค่ไหนเราไม่ใช่พนเรศวนแต่ระดับเรานี่ควรจะทำยังไงการที่เอาความรู้มาเป็นฐานแล้วท่านย่อยท่านปรับให้มันเหมาะเนี่ยเขาเรียกสุตะมายปัญญานี่เขาใช้ไปดูงานญี่ปุ่น่นะ ไม่ใช่เอาของญี่ปุ่นมาทั้งรุลเนี่ยท่านนะไปดูงานต่างประเทศคืออะไรมันเหมาะกับประเทศไทยอะไรคือเหมาะกับส่วนงานของท่านเราก็ไปดูกันเยอะแยะหมดเอาแต่ความรู้มาแต่ปัญญามันไม่เกิดมันก็ไม่มันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ข้อที่สองจิตตาเญย์ปัญญานี่หมายถึงรู้คิดหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการคิดอย่างปัญญาคนิตวิทยาศาสตร์ที่เขาอย่างไงสไตน์เนี่ยนะ เขาไม่ได้ส่องกล้องไม่ได้ดูดาวอะไรมากแต่เขาคำนวณทฤษฎีสัญญสมพัทธ์เนี่ยอันนี้คือปัญญาที่เกิดจากการคิดล้วนนักฟิสิกส์วิทย า, าศาสตร์อะไรต่างสมัยก่อนเนี่ยกาลิเลโอเนี่ยไอน์สไตน์เนี่ยแล้วข้อสปัญญาในทางศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นภาวนาเมยปัญญาปฏิบัติกรรมฐาน ลึกไปถึงจิตใจภายในโครงสร้างจิตเป็นยังไงจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้ลึกเชื่อมโยงเป็นปฏิสมบัติอันนี้คือภาวนาเรารู้ทันความคิดเรากล้องต้องจุลทัศน์ก็ส่องไม่ได้อันนี้คือสรุปแล้วเราพัฒนาปัญญาด้วยในระดับท่านทั้งหลายนี้ก็คือสะสมความรู้ให้มากแต่รู้จักคิดย่อยวิเคราะห์เชื่อมโยง คิดเพื่ออะไรไม่ใช่คิดวิเคราะห์อย่างเดียวให้สังเคราะห์เพื่อให้เห็นรู้รอบเชื่อมโยงเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้คิดเหมือนหมอชีวโกโกมาระพัฒเป็นบุคคลจริงๆที่รักษาพระเจ้าผ่าตัดตอนพระเทวทัตกริ้งหินให้เท้าห้อเลือดหมอชีวโกโกมาระพัฒไปเรียนแพทย์ที่ตากสิลาไม่มีสตังจ่ายค่าเรียนก็ไปโปฏิบัติอาจารย์เรียนแพทย์มีสมัยรู้มีผ่าตัดแล้ว มีข้อสอบเทอมสุดท้ายปกติเรียนสิบห้าปีแต่เจปีหมอชีวกขอสอบข้อสอ บ, อสอบมีอยู่ว่าอาจารย์ในรุ่นนั้นเนี่ยอาจารย์ถามบอกว่าจงออกไปรัศมีหนึ่งยอโดยรอบไปหาพืชที่ทํายาไม่ได้มาให้เราแล้วเราจะวินิจฉัยว่าคนไหนสอบได้สอบตกรุ่นพี่ที่เรียนสิบห้าปีก็ไปได้มาคนลกรรมสองกระมว่านี่ทํายาไม่ได้แล้วธิบายให้อาจารย์ฟังนี่ๆี มันทำยาไม่ได้เพราะนี่นี่ชีวบหนุ่มกลับมามือเปล่าอาจารย์ถามว่าทําไมไม่ได้เลยชีวบบอกไม่มีพืชใดที่ใช้ทํำยาไม่ได้อาจารย์ก็ชี้แล้วอะไรที่เขาเก็บมานี่ยแหละชีวบ ต, ตอบได้หมดเลยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างปรากฏรุ่นนั้นชีวบจบคนเดียวปัญญาชื่ เห็นความเชื่อมโยงเห็นประโยชน์อะไรต่าทีนี้เหตุที่เราไม่ค่อยแสวงหาความรู้ไม่หาอินฟอร์ม i ชั่นไม่ฟังใครเนี่ยมันเกิดจากความทนงตนคือคิดว่าเรารู้แล้วโซกราติสพูดว่าหนึ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้คือรู้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้อะไรทำไมโซกราติสจึงฉลาด ก, กับคนอื่นมีคนถาม โสขติสบอกว่าเพราะคนอื่นไม่รู้ก็คิดว่าตัวเองรู้เลยไม่เรียนเพิ่มไม่ฟังเพิ่มแต่โสขติสเนี่ยมีสติรู้ตัวว่าโง่ในเรื่องไหนก็ไปเรียนเพิ่มในเรื่องนั้นจึงรู้มากกว่าคนอื่นนี่คือสุตตะยะปัญญาพระพุทธเจ้าได้พูดถึงคนอย่างโสขติสอยู่คละมุมโลกนะแต่ว่ามีปัญญามากเนี่ยพูดคล้ายๆกันแต่เหมือนพูดต่อกันนะ สกติสบอกว่าที่ข้าพเจ้ารู้ไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยเรียนเพิ่มในเรื่องนั้นมันเลยฉลาดขึ้นคุณเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ได้ทำมาหมดโยพาโลมัญตีภาลายังเนี่ยนะเป็นภาษาบาลีแปลว่าอย่างนี้เลยคนโง่คือคนผ่านที่รู้ตัวเองว่าโง่เหมือนสกติสรู้ ว, ว่าโง่ในเรื่องอะไรก็เรียนเรื่องนั้นเนี่ยคนโง่ที่รู้ตัวเองว่าโงา่ยังเป็นคนฉลาดได้บ้าง แต่คนโง่ที่สำคัญว่าตัวเองฉลาดแล้วโง่แท้ๆเหมือนพูดต่อกันและการที่เราเอาสองประโยคคนรุ่นเดียวกันพูดคำมุมโลกมาเชื่อมกันนี่คือปัญญาท่านความรู้มันเป็นนี่คือตัวอย่างของปัญญาใ น, ในการในการที่เรามาดูอะไรต่าอ่ะแต่มันจะเชื่อให้ดูอีก เพียงแต่ท่ารู้ว่าพรุทธเจ้าสอนว่าอะไรนี่เป็นความรู้โศกติสไว้งไงแต่เอาสองประโยคเนี่มาเชื่อมกันมันเป็นปัญญาแล้วปัญญาสําหรับนักบริหารมันอยู่ตรงไหนอ่ะปัญญาสําหรึ่นักบริหารคือประโยคต่อไปนี้สมเด็จมหาวีระวงศ์ติดสัมหาเถระท่านแต่งเป็นกรอนสอนนักบริหารไว้นี่คือเชื่อมสิ่งที่จะมาได้พูดถึงโศกติสพรุทธเจ้าไว้เขาพูดไว้อย่างนี้ท่านแต่งเป็นกรนไว้อย่างนี้นี่คือตัวปัญญา ในภาคปฏิบัติท่านงคงเคยได้ยินแล้วประโยคนี้โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดถ้าอาตามาไม่เล่ามาว่าโสกติสไว้ใจพระเจ้าไงท่านจะไม่เข้าใจประโยคนี้ทำไมต้องโง่เป็นบ้างและถึงจะเป็นใหญ่ได้ราก็เข้าใจแล้วโง่แบบโสขติสแล้วแล้วแก้ไขความโ ง, ง่เหมือนที่พระเจ้าว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทานชีวิตจะรุ่งโรจน์โสดทิพน ต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดปรือนตนโง่สิบขนดีกว่าเบ่กเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นปัญญาสำหรับนักบริหารนะแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้มันเชื่อมโยงเป็นระบบนั่นคือรู้รอบท่านรู้รอบรู้ลึกรู้ลึกคือรู้เรื่องคนรู้เรื่องงานอย่างลึกซึ้งมาขอไปต่อทีนี้เรื่องคนบ้าง แต่มาเชื่อมในประวัติศาสตร์ข่านโกโจคือเล่าปังผู้ผู้ผก่อตั้งราชอาณาจักรคือข่านเนี่ยราชวงศ์ข่นเนี่ยนะข่นเนี่ยเป็นชื่อเรียกคนจีนคนจีนเรียกเองว่าชาวข่านโดยอาศัยราชวงศ์ข่นเนี่ยแล้วคนที่ตั้งราชวงศ์ข่านคือเล่าปังและต่อมาอีก400ปีก็เกิดเล่าปีซึ่ง โดนราชวงศ์นี้ถูกล้มล้างเลยก็คือเล่าปังเล่าปังได้เป็นจั ก, กรพรรดอิองค์แรกต่อจากจิ๋นซีฮ่องเต้กันแล้วกันจิ๋นซีฮ่องเต้เสร็จแล้วก็เล่าปังเนี่ยราชวงศ์ของจิ๋นซีโดนล้มล้างโดยกบฏแล้วเล่าปังมาฟื้นสถาบันฮ่องเต้เป็นราชวงศ์ฮั่นอยู่ครองอำนาจมาสี่ร้อปีมีคนถามเล่าปังว่า ทำไมท่านเป็นชาวบ้านธรรมดาขึ้นมาเป็นจักรพรรดิได้เล่าปังตอบเนท่านลองดูนี่คือบริหาปัญญาในการบริหารของจีน น, นี่คําพูดของเล่าปังความคิดอ่านสติปัญญาในการวางแผนฆ่าสู้จางเหลียงไม่ได้ฝีมือในการสู้รบและนําทัพฆ่าสู้หานสิ้นไม่ได้ความรู้ความสามารถในการระดมพลฝึกพลและสนับสนุนสเสบียงอาหาร แก่กองทัพข้าสู้เซียวเหือไม่ได้สู้ใครก็ไม่ได้และเป็นใหญ่ได้ไงแต่ความสามารถในการใช้ทั้งจางเหลียงหานสิ้นและเซียวเหือไม่มีใครสู้ค้าได้นี่คือเหตุผลที่ทำให้กองทัพของเราได้รับชัยชนะบริหารคนนั่นบริหารคนสามคนโดยที่ตัวเองบริหารตนคือเราปัา่ง ให้มีปัญญาส่วนสามคนนั้นมี l e d g e มีความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญ s เ e c i a l i s t แต่เล่าปังมีปัญญาในการมองทั้งระบบคนมีปัญญาเป็นผู้นำแล้วยังบริหารงานได้อีกการล บ, บระดับนี่คือปัญญาท่านบริหารคนเป็นยังไงแต่มาเมื่อกี้บริหารตนบริหารคนมาถึงบริหารคน ท่านเป็นผู้นำหรือผู้บริหารวัดตรงนี้ผู้บริหารคือทำให้คนอื่นทํางานตามที่ผู้บริหารต้องการแต่ผู้นำคือผู้ที่ทําให้คนอื่นต้องการทำงานตามที่ผู้นำต้องการท่านเป็นผู้นำด้วยเล่าปังเป็นผู้นำเพราะท่านมีศิลปะในการจูงใจคนถ้าท่านอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นเห็นคนชัดเนี่ย ท่านบริหารคนพูดอย่างไรให้เขาอยากทำงานพูดยังไงทำให้เขาหมดกำลังใจแต่ท่านอยากให้เขาสู้เนี่ยท่านต้องปลุกใจตัวเองก่อนที่จะมาพูดแล้วจิตตกยกจิตแล้วปลุกใจคนอื่นอย่างไรให้เขาขยันขันแข่งนี่คือซักข้อสองภาวะผู้นำให้คนอื่นเกิดความต้องการที่จะทางานทีนี้พูดในภาษาสมัยใหม่ จะทำให้คนอื่นต้องการทำอย่างที่ท่านท่านจะต้องเอาวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยไปขายเอานโยบายเอาภาพฝันปลุกใจคนอะยอมเหนื่อยแล้วองค์กรเราจะดีขึ้นอย่างไรตัวคุณจะได้ประโยชน์อะไรต้องมีวิสัยทัศน์คือปัญญาอีกเ่สรุปแล้วพอมีปัญญามีวิสัยทัศน์ท่านก็ขายไอเดียปลุกใจคนนี่คือ ผู้บริหารมีสองแบบผู้นำเนี่ยนั่งอยู่บนหัวคนสั่งใช้อานาจกับนั่งอยู่ในหัวใจคนการที่นั่งอยู่บนหัวคนเอาแต่สั่งเนี่ยไม่ต้องใช้ธรรมะหรอกแต่จะใช้ธรรมะถ้าท่านต้องการที่จะได้ใจเขาเนี่ยให้เขาทุ่มเทให้กับองค์กรของท่านเป็นผู้นำที่นั่งอยู่ในใจคน นี่แหละจึงเกิดคำถามว่าจะใช้ธรรมะอะไรผู้นำเผด็ ก, การไม่ต้องถามถึงธรรมะแต่มันอยู่ได้ไม่นานแต่ผู้นำที่อยู่นานต้องอยู่ในหัวใจคนธรรมะอะไรเอางี้ก่อนอำนาจมันมีสองอย่างอำนาจตามตำแหน่งกับบา ร, รมีส่วนตัว position power คืออำนาจตามตำแหน่ง ทางภาษาวิชาการกเรียก hard power อำนาจแข็งไม้แข็งส่วน personal power นี่ก็คือบรารมีคุณธรรมมันเป็น soft power ในภาษาวิชาการต้องใช้ธรรมะจะอยู่ในข้อสอบแต่ข้อหนึ่งก็เกี่ยวข้องด้วยคือเป็นกรอบใหญ่ต้องอต้องใช้อำนาจที่โดยตำแหน่งให้ถูกต้องตามศีลธรรมจญญรญยาระเบียบกฎหมาย แต่การที่จะมีภาวะผู้นำมันต้องมาจากข้างในจึงมีสามประเด็นท่านการที่ท่านจะเป็นผู้นำให้ประสบความสเร็จมันจะให้ท่านเลือกเอาสาสไตล์หนึ่งท่านโดมิเนตท่านควบคุมท่านกํากับสั้นใช้ฮาร์ดพาวเวอร์เราเรียกว่าอัตตาทิประไตยตัวเองเป็นใหญ่ 2. โลกาทิประไตย เอาคนส่วนมากเนี่ยเดินหน้าไปสามธรรมมาธิปไตยเอาหลักการเป็นใหญ่แต่แต่ละข้อหนึ่งกับข้อสองมันมีจุดเสียข้อหนึ่งได้งานแต่คนไม่ชอบท่านเพราะมักจ ะ, ะเผด็จการใช้อำนาจสอง ได้ข้อสองโรการที่ว่าได้คนแต่มักจะไม่ได้งานเพราะท่านพยายามให้ทุกคนพอใจเชื่อท่านเลยมักจะอ่อนเขาเรียกใจดีผีเข้าฉะนั้นในทั้งสองอย่างเนี่ยต้องเพิ่มธรรมะเข้าไปมันจะพอดีเขาเรียกธรรมมาทิปะตะธรรมมาที่ควรเพิ่มเราเป็นหัวหน้าที่เก่ง แต่ไม่ให้ให้คนเกลียดไม่เผด็จ ก, การต้องเพิ่มธรรมะอะไรเข้าไปโลกาธิปไตยต้องเพิ่มธรรมะอะไรเข้าไปจึงจะเป็นธรรมาธิปไตยกาลังพอดีตอบตรงนี้เลยอัตตาธิปไตยท่านต้องเพิ่มเมตตาความรักความปรารถนาดีเข้าไป โลกาที่ปไตยท่านต้องเพิ่มอุเบกขาในพระวิหารสี่เมตตากรุณาเมตตาอุเบกขานั่นแหละถ้าท่านเป็นโลกาที่ปไตยเอาใจทุกฝ่ายท่านจะต้องมีอุเบกขาบางครั้งต้องหวานเฉยบ้างไม่พรีสทุกคนไม่ทุกคนรักท่านมิฉะนั้นมันจะเสียหลักการหลักการคือธรรมะคือความถูกต้องประมาจะพูดเรื่องแรกก่อน ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำประเภทที่เก่งมากเก่งน้อยหรือมีอำนาจมากขนาดไหนก็ตามเวลาท่านทำความดีกับคนอื่นเนี่ยก็เรียกทำบุญบุญที่ทำไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานถ้าขาดเมตตาแนละความรักความปรารถนาดีสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลหรอกท่านจะบอกว่าบุญต่างๆที่เราอุตส่าห์ทำถ้าขาดเมตตานะ มันไม่มีอนุภาพมากในภาษาบาลีนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเราไม่ฆ่าสัตว์สิ่ข้อที่หนึ่งเนี่ยนะเอ่อเราให้ทานเพราะอะไรให้ทานสัตว์ตัวให้ให้ไปพ้นพ้นไปให้ขอทานมันต่างจากให้เพราะเมตตานะถ้าท่านมีเมตตาให้ขอทานนะมันมีความหมายเยอะนะคือทําบุญด้วยเมตตาท่านไม่ฆ่าสัตว์เพราะอะไรเพราะรักษาสิ่งแวดล้อม กับไม่ฆ่ า, าสัตว์เพราะเมตตารักสัตว์เนี่ยมันคนละอย่างนะท่านไม่รักทรัพย์เพราะเมตตาเจ้าของเจ้าทรัพย์ไม่ไม่ไปแย่งคนรักของรักเพราะเมตตาคู่ครองเขาไม่พูดปลดเพราะท่านเมตตาคนที่จะมารับข้อมูลจากท่านไม่ดื่มสุรายาเมาเพราะท่านเมตตาตัวเองและไม่ต้องการเมาแล้วขับไปฆ่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเมตตามันทําให้ทานศีลอยู่ได้ท่านจึงบอกว่ามันมีพลานุภาพมากท่านบริหารงานเนี่ยนะ แม้ว่าท่านจะมีอํานาจมากกระตามเนี่ยแต่ถ้าท่านมีความรักเมตตาคืออะไรก่อนเมตตาที่เราเรียกความรักเนี่ยในทางธรรมะหมายถึงหวังดีอยากให้เขามีความสุขเป็นพื้นฐานก่อนมีการเกื้อกูลคือการให้เป็นลักษณะคนไหนรักเราเขาจะอยากให้เราและมีการอาภัยเป็นที่ปรากฏ คนไหนบอกว่ารักเราแต่ว่าเวลาโกรธไม่อภัยเนี่ยเขาไม่ได้รักจริงท่านเพราะฉะนั้นหนึ่งหวังดีท่านหวังดีต่อคุณแค่เหมือนชาต่อเพื่อนร่วมงานอยากให้เขามีความสุขเขามีความเจริญสองท่านหวังดีท่านมีความหวังดีแล้วท่านจะให้ให้ความรู้ให้การช่วยเหลือให้เงินให้ทองอะไรแต่และหวังดีอยู่ในใจท่านจะอภัยเขาพ่อแม่รักลูกเนี่ยอภัยลูกนี่คือความรัก ผู้บงังคับบัญชาผู้บริหารที่มีเมตตาต่อผู้ร่วมงานเนี่ยมันจะกลมกล่อมท่านท่านจะเปรียบไ อ, อตรงนี้เหมือนกับอะไรเหมือนกับน้ามันเครื่องเนอะในเครื่องยนต์เนี่ยที่ทำให้มันไม่เสียดสีกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการหล่อเลื่นด้วยน้ามันเครื่องนี่คืออัตราธิ่ปตะยก็จริงแต่ถ้าอย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยมีอานาจเป็นสมุรนายาสิทธิราชนะ แต่ท่านมีเมตตามีความรักพระสงฆ์นิกอนจึงเป็นมหาราชในดมคติพระเจ้าแผ่นดินรัชการที่เก้าเนี่ยท่านทำไมเป็นพระมหากษัตริย์ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติคือท่านรักประชาชนไอ้โครงการสี่พันกว่าโครงการนี่ไม่ใช่เพื่อตัวท่านนะท่านเหน็ดเหนื่อยนี่เพื่ออะไรรักพระสงฆ์ก่อน นี่คือกลายเป็นท่านมีเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่มีอนุมีมีเออเาเรียก ม, มีอำนาจมากเพราะเป็นผู้นำที่นั่งอยู่ในหัวใจคนมาจากเมตตานี่แหละรักประชาชนทีนี้มาทำความเข้าใจเรื่องพรหมวิหารธรรมนะท่านทำไมเมตตาจึงสำคัญท่านทำงานด้าความยุติธรรมมักจะบอกฉันไม่เมตตานะงานตัดสินใจฉันอุเบกขาที่จริงไม่ใช่ท่าน เมตตาต้องเป็นพื้นฐานก่อนคือความหวังดีท่านรักใครเนี่ยท่านมีความหวังดีใหญ่เขามีความสุขเพราะเขาทุกข์ท่านการุณาคือสงสารเหมือนพ่อแม่สงสารลูกคนรักสงสารคนรักแล้วเพราะฉะนั้นบางทีเราเข้าใจผิดเรารักคนนี้เพราะเราสงสารที่จริงมันก็คือรักนั่นแหละไม่รักก็ไม่สงสารเอาถ้าเราสงสารแล้วเราจะพิพากษาตัดสินได้ยังไงเอาดูต่อพอเรารักเราสงสารเขาได้ดีลูกน้องได้ดี เราชื่นชมยินดีเราบุธตาแต่บางคนเนี่ยพอเขาได้ดีเท่าเราเราอิจฉาริษยาบุิตาแท้ๆเนี่นะเพื่อนเราเนี่ยรักกันเนี่ยพอมันได้ดีเกินหนะ้าเราเราริษยาเราไม่มีทิตาฐานมาจากอะไรเพราะท่านขาดเมตตาถ้าท่านมีเมตตาท่านจะไม่ริษยาบุิตามันจะยั่งยืนเมตตาจึงเป็นฐานของกาลุณาเป็นฐานของบุิตาอันนี้ชัดแล้วนะและ ตรงนี้สําคัญเป็นฐานของอุเบกขาคือในขณะที่ท่านพิภาคขาตัดสินเนี่ยท่านพิภากษาตัดสินเพราะเมตานะท่านในขณะนั้นท่านมีอุเบกขาเป็นกลางหมายถึงอารมณ์เป็นกลางไม่รักไม่เกลียดไม่มีอคติเขาเรียกเป็นกลางตัตรระมัชดาตตาคือเป็นกลางทางอารมณ์ไม่ใช่เป็นกลางในไม่เข้ากับไนะ่นะตัวนี้เขาหมายถึง อารมเป็นกลางคือไม่รักไม่โกรธไม่เศร้าไม่สงสารไม่อะไรต่างมันเป็นกลางเราพิพากษาด้วยความเป็นกลางในอารมณ์มันจึงเหมือนกับวางเฉยแต่ถามว่าในขณะที่ท่านทำเนี่ยท่านทําด้วยอะไรอารมณ์เป็นกลางจริงแต่ฐาน ม, มาจากความรักความปรารถนาดีของผู้ที่ท่านพิพากษาตัดสินมันจึงจะเป็นพรหมมิหารธรรม ยกเว้นเราไ ม, ไม่ไม่ต้องการเป็นพรหมวิหารธรรมมันเป็นพรหมวิหารธรรมยังไงถ้าดูกรณีนี้บางคนเฉยวางเฉยเพราะโง่เขาเรียกอัญญานุเบกขาลูกจะตกบ้านอยู่แล้วนั่งเฉยไม่รู้เรื่องตกลงไปเราก็เฉยเพราะเราไม่รู้เฉยไม่รู้อัญญานุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาในพรหมวิหาร แต่ยานุเบกขาการวางเฉยของท่านเนี่ยรู้แต่ก็ัำแต่ก็ตัดสินรู้ว่าเขาก็มีส่วนนี้แต่เราก็เขาต้องถูกลงโทษไม่ใช่เห็นแต่ชั่วยอย่างเดียวมันก็มีแต่กฎหมายมันกําหนดให้ต้องทำอย่างนี้ตัดสินอย่างนี้ช่างดูแล้วต้องเป็นอย่างนี้โดยไม่เอาอาคติเข้ามาเกี่ยวที่เราเรียกกันว่าเป็นกางแต่ ยานุเบกขาของท่านเนี่ยรู้มันก็เกิดไม่ได้อาคาดพยาบาทแม้แต่ฆาตกรเขาก็มีส่วนดีเราจะต้องประหารเขาอะไรเขาก็มีส่วนดีรือติดคุกเราก็เมตตาแต่เมตตาอะไรเอ า, าดูกรณีนี้ในะมามมีภาพเมื่อเร็วๆนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ มีภาพข่าวเขาบอกนหนังสือพิมพ์ลงนะเด็กอายุหนึ่งขวบเด็กผู้หญิงนะวิ่งไปชนอะไรไม่ไน้ผากแตกไว้หนึ่งขวบกับสี่เดือนเ น, นทีวีเอามาลงถ่าวแล้วก็คนเข้าไปชมห้าล้านคนเน่ยไอตัวนี้คลิปนี้ในรอบปีที่ผ่านมาเด็กเด็กสี่ขวบหนึ่งขวบสี่เดืเดเดอนเนี่ยเย็บแผลสดสโดยไม่ร้องสักแแ่เดียวนะ ข่าวมาานันจะต้บอกโอเด็กคนนี้เก่งชื่อน้องอัญญาทำไมเ้าบอกว่าแม่ซึ่งเป็นแพทย์อยู่เหมือนกันเป็นแพทย์หญิงร้องเพลงนเนี่ยเนี่ยภาพเขามาตอบคนเดียวกันหนึ่งร้องเพลงกล่อมลูกในขณะที่เย็บแผลเด็กฟังเพลงของแม่ก็ไม่รู้จะร้องไห้ดีหรือว่ายังไงดีบางทีก็เบะแล้วก็หยุดร้องฟังเพลงไปเรื่อยๆ คนที่เย็บแผลสดๆเนี่ยถามว่าทําไมเขาไม่ฉีดยาชาบอกฉีดยาชาเด็กจะเจ็บมากกว่าเลยเย็บกันสดๆเป็นคุณตาของเด็กคนนี้คุณตาสรุปแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กแม่และคุณตาถามว่าเขาไม่รักเด็กหรือไงรักมากหวังดีเพราะคุณตาบอกว่าถ้าปล่อยแผลไว้นะเป็นแผลเป็นเนี่ยนะเป็นสาวขึ้นมาจะเกิด อ, อะไรขึ้น ด้วยความรักความหวังดีความเรือกูลต้องไม่เย็บแผลในด้วยความรักเป็นพื้นฐานนะท่านหวังดีแต่ก็เย็บแผลด้วยอุเบกขาอุเบกขาใช้ในกรณีนี้ไม่อุเบกขามือสั่นท่านแต่เขามีอุเบกขาถามว่าไม่สงสารหรือถ้าเด็กร้องขึ้นมาสงสาร กรุณาแต่เมตตากรุณาเนี่ยมีอยู่แต่เก็บไว้มีอุเบกขาเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นพ่อแม่ด่าลูกลงโทษลูกด้วยความหวังดีแต่ในขณะที่ลูกเจ็บก็ต้องอุเบกขาการพิพากษาตัดสินก็หวังดีต่อคนหรือต่อสังคมก็ต้องทำฉะนั้นเมตตาจึงเ ป, เ, ปเป็นฐานของอุเบกขา นะ อ, ย อ, อย่างที่ว่ามาและทำให้เราเบริหารจัดการด้วยจิตที่เที่ยงธรรมทีนี้มาถึงประเด็นที่ต่อนะบริหารงานบ้างประเด็นสุดท้ายท่านบริหารตนบริหารคนบริหารงานบริหารงานงานในหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ที่เราทํรมมาทิปไตยเนี่ย ทำมันเจรสุจริตตังควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตธรรมะตัวนี้ในภาษาบารีเนี่ยท่านหมายถึงหน้าที่เพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเนี่ยแหละคือบริหารไงให้มันเสร็จเรียบร้อยทีนี้การปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตคือทำดีให้มันถูกดีให้มันถึงดีและก็ให้พอดี ถูกดีคือมีหน้าที่อะไรทําให้มัดีที่สุดถ้าท่านไปทําในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่แม้ท่านจะขยันขันแข็งมันก็ไม่ได้ดีทําดีให้ได้ดีหนึ่งทํางานในหน้าที่ให้ใหดีที่สุดอย่าให้มันบกพร่องอย่าให้อย่าละทิ้งหน้าที่อย่าบกพร่องต่อหน้าที่และอย่าทุจริตต่อหน้าที่ 2. ท่านทําหน้าที่แต่ว่าครึ่งกลางเป็นกิ้งก่าวิ่งหยุดหยุดมันก็ไม่ถึงจุดแห่งความสําเร็จของงาน ความดีก็ไม่ได้ผลช่วยคนก็ไม่ตลอดจับให้มัน่นคันให้หมายให้วายวอดสุนทรพูว่าจับให้มัน่นคันหมายให้วายวอดช่วยให้รอดรักให้ชิดพิษสมัยตัดให้ขาดปราถนาหาสิ่งใดเพียนจงได้ดังประสงค์ที่ตรงดีนี่คือทําดีให้ถึงดีมันถึงจะสําสเร็จทันและเมื่อสําเร็จเป้าหมายแล้ว หยุดพอทำดีให้พอดีเหมือนกับเป็นทนายักคาน่ะนะถ้าเข้าประเด็นแล้วอย่าไปถามนอกเรื่องเดี๋ยวคนฟังมึนไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปแล้วจบแค่นี้มันพอดีทำดีให้ถูกดีให้ถึงดีให้พอดีทีนี้ถ้าจะทาดีให้ถูกดีเนี่ยท่านจะต้องทนต่อสิ่งยั่วสิ่งร้าที่ทำให้ออกนอกทางมันถึงจะประคองได้เหมือนเครื่องบินเนี่ยมันจะต้อง กลับเข้ามาในเส้นทางของมันมุ่งไปสู่เป้าหมายและในขณะที่ท่านไปสู่เป้าหมายมันเหนื่อยมันทอ้อท่านจะต้องปลุกใจท่านก็ต้องอดทนทําดีให้ถึงดีและเมื่อถุงถึงเป้าหมายแล้วแม้ใครจะบอกว่าทําต่อท่านก็นไม่ต่ำทำต้องมีความพอเศรษฐกิจพอเพียงเ่ยในกรณีนี้เนื่องจากเวลาหมดแล้วจะมาสรุปเลยการที่จะทําดีให้ถูกดี ให้ถึงดีให้พอดีเนี่ยนะนึกถึงตรงนี้ท่านความอดทนเป็นฐานสําคัญทําดีให้มาถูกดีเนี่ยท่านต้องทนต่อสิ่งยั่วสิ่งล่อ temptation ทำงานด้านการยุติธรรมมันมีสิ่งรั่วสิ่งยอ่อเป็นตําแหน่งสิ่งล่อเป็นตําแหน่งเป็นผลประโยชน์ทําให้ทุจริตท่านต้องอดทน ไม่ออกนอกทางเรียกว่าทนลำบากทนตรากตรำทนเจ็บใจมีภาษิตว่าเนวายเมเทวปุริโสยาวาัฒนสานิปทานเนี่ยเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนานี่ทำดีให้ถึงให้ถูกดีให้ถึงดีและสิ่งที่ปรารถนางดงามเมื่อทำสำเร็จบอกตัวเองไว้ความอดทนเป็นความขมคืน แต่ผลของมันหวานชื่นเสมอที่เรามาพูดกันเนี่ยนิพพานอโศกพิโนอัฏฐะสิ่งที่ปรารถนานี่ที่เราอยากจะได้เนี่ยโอ้โหเลี้ยนมากกว่าจะจบเนี่ยจบแล้วมันงดงามคดีนี้กว่าจะพิพากษาได้นี่เราเหนื่อยยากกว่าจะถึงมือเราเนี่ยเราเอ่อให้เราพิพากษาถ้าสียนแต่เหนื่อยยากในการหาข้อมูลต่างๆพอออกไปแล้วมันงดงามเมื่อทําสําเร็จและสุดท้าย ขันตายาพิโยนวิชติเพื่อความสำเร็จไม่มีอะไรสำคัญกว่าขันติทนลำบากศึกษาเพิ่เมเติมสืบสวนมันกว่าจะสาเร็จเหมือนชอ ล, ชลโคลคมอ่ะแต่ค่าแก้คดีได้งดงามเพื่อความสำเร็จต้องอดทนบริหารงานด้วยความอดทนทนลำบากคือสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยทน แตกตรมคือมันต่อเนื่องยาวนานหลายปีก็ทำเจ็บใจคือบางทีคนว่าเราคนอะไรต่างๆหรือผิดหวังก็ต้องทำมันคือหัวใจของการบริหารงานสรุปที่จมาพูดมาวันนี้เนี่ยธรรมะสข้อพอหนึ่งให้ท่านมีสติรู้ทันปัจจุบันมีปัญญารู้รอบรู้ลึกบริหารตนบริหารคนบริหารงานเนี่ย มีสติรู้ทันปัจจุบันมีปัญญารู้รอบรู้ลึกทั้งรู้เรื่องตนรู้คนรู้งานรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้และมีเมตตาคือความรักเป็นฐานไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามรักและหวังดีคนอื่นแม้จะมีอุเบกขาก็อยู่บนฐานของเมตตาบริหารคนและมีความอดทนบริหารงานไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จเพื่อยกตัวอย่างในเรื่องนี้ต่มา เล่าเหตุการณ์สุดท้ายที่ เ, เป็นการปิดท้ายก็คืออาตมาเป็นเจ้าวาดวัดประยุโรโองศาวาดเนี่ย <c oughs> เมื่อ12ปีที่แล้วเป็นเจ้าวาดแล้วก็เจดีวัดประยูนเป็นอายุตอนนั้นร้อยปปีมันเกิดเอียงเนเอียงทำท่าจะพังอาตมาประกาศซ่อมอยู่มาร้อยแปดปีไม่เคยซ่อมใหญ่เพราะมันแพง ใช้เงินเกือบสี่สิบล้านบาทเจาเงินที่ไหนเจ้าวาดก่อนๆท่านก็ปล่อยถ้าแค่ทาสีธรรมดาตกมาถึงธรรมาธรมาตั้งเป้าว่าต้องซ่อมให้ได้การซ่อมเนี่ยท่านอ่ให้ดูภาพนี้ก่อนเหตุที่มันเอียงเนี่ยนะคือเสาแกนกลางมันผังมันหักปกติมันมันตรงเนี้ยมันเป็นโพรงมีเสาแกนกลาง หนัก144ตันหักที่โคนพิงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาเจดี JD เอียงไปโดยให้ลากตะบงังเทคโนโลยีพระเจ้าตาัลาระบังเนี่ยมาวัดเอียงไปเมตรยี่สิบเซนนี่คือเสานี้ท่านเป็นเจเอขออนุญาตกรมศิลป์ื้อแล้วก่อขึ้นใหม่เอาเหล็กมาดามกรมศิลป์ไม่ยอมบอกเป็นเจดีเดียวในประเทศไทยที่มีแกนกลางที่เข้าไปข้างในได้เจดี JD ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ตันหมดถ้าเป็นสมัยใหม่ก็สร้างเป็นเสาไม่มีที่เป็นแกนกลางอย่างนี้เหลืออยู่องค์เดียวเพราะฉะนั้นต้องรืออ้อต้องรื้ออิฐทีละก้อนแล้วก่อใหม่ก่อใหม่ทำไม่ได้ขออนุญาตเขาไม่ให้ท่านต้องยกให้มันตั้งอย่างเดิมใช้แม่แรงเอาร้อยสี่สิบตันในที่แคบอ่ะจะทำได้ยังไงเราก็ขอกันนะเอาตมาให้ดูภาพตอนต้นเลย ขออนุญาตกรมศิลป์ไม่ยอมแต่มาก็เลยเอางี้กันแล้วกันทาสีขาวใหม่ตอนนั้นห0สิบพรรษาในหลวงหล่อเก้าทาสีขาวแล้วเสร็จแล้วไปได้พรภาษาลีนิกธาท่าจากสีลงกามาจะไปไว้บนเจดีถามว่าจะไปไว้ตรงไหนทาสีทาสีเจดีเนี่ยนะมันมีนั่งร้านจะไว้ข้างบนมันก็มีบันไดลิงจะไว้ต ร, ตรงตรงนี้หรือตรงไหนดีก็เถียงกัน แตมาบอกถ้าอย่างนั้นกรรมการวัดปีนขึ้นไปนั่งร้านเนี่ยปีนขึ้นไปสิเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันผู้ช่วยเจ้าวาดองหนึ่งบอกผมอาอยุแปสิบแล้วเจ้าวาดยังหนุ่มปีนเอง <c oughs> ปีนเองแตมาก็บอกมมันหกสิบเมตรนะตอนนั้นนั่งร้านทาสีเกืบเสร็จละก่อนจะนั่งร้นร้านลงต้องปีนถ้าอยากจะปีนแตมาก็เลยบอกอาจารย์ที่ราชกำลังลองสั่งอาจารย์ที่มาให้ข้อมูลถ้าลองสั่งอาจารย์ท่านนี้กล้าปีนนะ อาตมาจะปีนด้วยดูท่าเขาไม่ปีน่ะเขาเคยบอกว่าไงปีกับพระปลอดภัยครับได้บุญผมปีนครับที่ประชุมสาธุหมดเลยท่านให้เจ้าวาดปีนผู้ช่วยเจ้าวาสิบห้ารูปมีปฏิเปีกกระชั้นให้เจ้าวาดปีนนะท่านเคยเห็นที่ไหนบ้างเนี่ยให้หัวหน้าเป็นอย่างนี้อาตมาก็ถึกก็เลยเก๋ไก่บอกตามนั้นเดี๋ยววันมรืนมานะแปดโมงเช้าเอาเอาช่างที่จะปีนมา นัดกันพอแปดโมงเขามาตมาบอกเดี๋ยวจะซ้อมรับกระถินหลวงไม่ว่าง <c oughs> นัดเอาวันที่จะรับกรถิน่นบ่ายสองโมงต้องรับกรถินแปดโมงเช้าสอมเพราะฉะนั้นคุณปีนเองทางฝ่ายโน้นบอก <c oughs> ไม่ได้แล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวท่านเจ้าวาสซ้อมเสร็จชั่วโมงเดียว <c oughs> เดี๋ยวผมลอปีนพร้อมกัน <c oughs> อรู้อีกตมาก็บอกกับเลขากรรมการเรามีเลขาเป็นพระหนุ่มบอกท่านไปปีนแทนเนะจ้าวาดจะซ้อมกรถิน บอกไม่แล้วครับหลวงพ่อผมจะอยู่รับกระถินตอนบ่ายไม่มีใครยอมปีนท่านอาตอมาก็เลยออกมาก็ต้องปีนเองนี่คือนี่คือนั่งร้านนะนะแล้วท่านเห็นกลมๆเนี่ยคือจุดนี้เขาเรียกที่เหมือนโดนัทคือปล้องฉไไนขึ้นไปตรงนี้เนี่ยอยู่ติดสะพานพุทมองเห็นวัดพระแก้วมองเห็นศิริราชเลยแหละมองแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นหมด คนก็ช่างเขาก็ถ่ายภาพไปเขาก็ถามกันตมานี่สิปีที่แล้วเลยอธิษฐานอะไรเอาอ ก, ก็อธิษฐานให้ลงโดยปลอดภัยนะสิมันสูงมากนะท่านถุงนี่เนี่ยห้าสิบห้าเมตรแต่ที่เจงกัตมาอธิษฐานอะไรบางอย่างพอที่อธิษฐานปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าในพระเจดีย์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่แล้วไม่ต้องเอาของสีลังกามาไว้แต่ต้องหาให้เจอ ประวัติเขาเขียนไว้เมื่อตอนวัดครบร้อยปีว่าเชื่อกันว่าในพระเจดีย์นี้มีภาษาลิขิตธาตุบรรจุไว้ก่อนแล้วแต่เราหาไม่เจอพอลงมาแตมาก็ประชุมกรรมาการชุดเดิมบอกว่าไม่ต้องเอาตอนแรกปีขึ้นไปเพื่อจะเอาว่าเอาของศิลปกรไปบรรจุว่าอยู่ไว้ตรงไหนพอลงมาแตมาบอกไม่ต้องเอาขึ้นไปหรอกข้างบนนี่มีภาษาลิกิธาตุที่โบราณท่านเอาใส่ไว้แล้วหาให้เจอกันแล้วกัน ครับผู้ใหญ่ก็บอกไม่มีหรอกผมอยู่มาจนอายุแปดสิบแล้วไม่เคยได้ข่าวว่ามีตรงไหนเลยทําไมเจ้าวาดว่มีแต่มาก็บอกว่าปีแล้วจะรู้ว่ามีใครไม่เชื่อโปรดปีนเ <c oughs> ชื่อทั้งหมดเลยสิเลยแต่เจ้าวาเ อ, อมีก็มีไม่มีใครปีนเลยเ อ, อแล้วแต่มาก็บอกว่าถ้ า, างั้นเราส่งทีมขึ้นไปสํารวจนะพระห้าคารวะเป็นช่างห้าเพราะก่อนที่เรานั่งร้านหลงเนี่ยเคาะตรงไหนป้าปูเจาะเลย จะได้เห็นช่องลับที่มีภาษาลีดิกาาตอีกสองวันต่อมาเราส่งทีมขึ้นไปอาตมาคุมอยู่ข้างล่างถื อ, อโทรศัพท์มือถือให้พระโทรกับช่างทั้งหมดคนมาบุกน้นเต็มหมออไหร่ท่านตอนแรกๆเนี่ยโอ้จเจ้าวาดมียานวิเศษนะรู้ว่ามีกลุก่มมาแฮกันผ่านไปสองชั่วโมงหายเรียบเลยไม่มีไม่เจอพอชั่วโมงที่สามเหลือแต่ตอาตมากับคนคุมโทรศัพท์มืดแหละ ท่างบนเขาโทรมาบอกท่านขอลงไม่เจอละแต่มาก็นึกถึงอะไรทำดีต้องถูกดีถึงดีแล้วก็พอดีตกลงจะใช้ข้อไหนถ้าพอดีไม่เจอแล้วก็ต้องลงแต่ถ้าเกิดมันอยู่มีล่ะแล้วลงก่อนล่ะก็ทำดีไม่ถึงดีแต่มาก็เลยบอกนี่คือปลุกใจตัวเองคนอื่นท้อหามดแล้ว แตมาคิดเชิงบวกต้องมีสิแล้วก็บอกเขาบอกอีกนิดเถอนะนายเขาก็หาไปอีกสบหนาทีมันก็มืดเข้าไปทุกทีโทรมาบอกไม่มีรับท่านขอลงเจ้าว่าขอลงแตมาก็นึกถึงไอ้เอส้นแบ่งระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลวอะนิพพานโศพิโนโอนะัฏาเนี่ยเป็นเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปเนี่ยนึกถึงกติจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาเอ่อสิ่งที่ปรารถนางดงามเมื่อทาสาเร็จ เพื่อความสาเร็จไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าขันติใครจะว่าเรายังไงรู้ขันติทนไปก่อนตมาก็บอกหาอีนี่เธอไหนคิดถึงผ่านศีลในปลูกใจตัวเองผ่านไปสักพักหนึ่งตมาคิดว่าถ้าเกิดเขาขอลงอีกครั้งเป็ครั้งที่สามเนี่ยเราจะให้เขาหาต่อหรือให้ลงให้หาต่อก็อันตรายมันมืนเดเผด็จการหรือเปล่าลงก็คือเราหยุดก่อน ที่จะสำเร็จหรือเปล่าเกิดเถียงในใจนะแต่มามีสตินะถึงได้จำได้หมดก่อนที่จะตัดสินใจและเขาก็โทรมาจริงๆต่มาก็ฟังเขาก็ส่งโ ท, ทรศัพท์าตมาเขาฟังโทรมือถือเขาบอกว่าไงพบแล้วท่านโทรครั้งที่สามบอกว่าพบแต่มาก็ถามว่าเป็นไรบอกเจาะไปเนี่ยเป็นช่องส่องไฟฉายเห็นเสียญพระอยู่ข้างใน มาก็แบบถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเปิดนะเดี๋ยวเจ้าว่าขึ้นไปบัญชาการเองแป๊บเดียวทํามาไปคุมเลยมันมีนั่งร้านธรมานั่งเนี่ยแล้วก็ผนังเจดีเนี่ยเป็นโพรงที่เจาะไปเป็นอิฐปิดอยู่ที่ห้องลับอิดสองชั้นแล้วก็ฉาบ ป, ปูนไม่มีทางรู้เลยทาสีขาวไม่มีทางรู้หรืออิฐมาทั้งหมดเป็นเป็นห้องลับนี่ห้องนี้แต่ มันมืดตมาถ่ายภาพไว้ก่อนที่จะเอาของลงแล้วเห็นเสียนพระองค์นี้ท่านังเกเตมีกระดานะนวนมีอู่เครื่องจักรสารแบบภาคเหนือมีพระนี่ยและกระดานะนวนเนี่ยมันเป็นกรอบไม้พู่มาแล้วอยู่มาเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นตมา ก, ก็เอาลงมาแต่ละชิ้นนะแล้วก็มีบาทอยู่ข้างๆโดยรวมแล้วเป็นพันชิ้นเพราะขุดลึกลงไปอีกใต้นี้ ในในอูปบเนี่ยมีภาษาเอามีเจดีย์จำลองมีภาษาลิกิท่านข่อด้วยทองคำมีพระทองคำล้อมอยู่แล้วก็มีพระเก่าแก่อายุพันปีเอ่เอจ็ดร้อยปีเอ่อห้าร้อยปีสองร้อยปีเขามาฝากเอาไว้ล้อมภาษาลิขิตท่านแล้วมีกระดานชนวนเนี่ยเหมือนกับที่เขียนของเด็กๆจะรึว่าบรรจุเมื่อไรทำไว้หมดเลย ต่มาเอาลงมาลงมาเสร็จข่าวนหนังสือพิมพ์ท่านทีวีมาทำข่าวทุกช่องหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าววัดดังการปลุกปุกแตกคน้นเฮกันมาดูเสียนพระจะมาขอเช่าเพราะอะไรเพราะไม่ต้องโฆษณาเลยเรตติ้งขึ้นสูงจะเอาเท่าไหร่ก็ได้อาตมาก็ประกาศว่า พวกคุณเป็นเศรษฐีนะเช่าไปคุณก็ไหวอยู่องค์คนเดียวแต่นี่เป็นมรดกของชาติสมบัติพระศาสนาจะเอาไว้ที่นี่เป็นพิธภัณฑ์ให้คนทั่วโลกมากราบไหวบูชาตามาเข้าใจเลยว่าทำไมกรูกแตกแล้วมันหายหมดอ่ะมันมีเทมเพลชั่นท่าคเขามาบอกว่าท่านจำนายไปสิท่านจะได้มีเงินซ่อมเจดีย์เนีเท็มเพลชั่นตามาบอก เราจะทำเป็นพิพิธภณฑ์คุณมาช่วยซ่อมพิพิธัณฑ์แล้วคุณจะได้ดูมาช่วยกันแล้วท่านจากที่ไหนเป็นพิพิธภัณฑ์มาตมาก็บอกว่าตรงทางเข้าเนี่ยมันมีทางเข้าเป็นอาคารเก่าๆเนี่ ย, ยคือหลังเนี้ยเจดี JD อยู่ข้างหลังอายุร้อยร้อยสามสิบปีตอนนั้นไม่ได้ใช้มาห้าปีลังคาร่วกคุณช่วยกันบริจาคเงินซ่อมแล้วเราจะเอาของทุกอย่างมาไว้ให้คุณดู ปรากฏว่าคนศรัทธาท่านบริจาค ก, กันใหญ่ซ่อมตรงนี้ซ่อมเจดีย์ต่างๆในสุดไม่ต้องให้ให้ใหจหนายพระเลยอะ่ะคนมาบริจาคเนี่ยนะซ่อมสามสิบกว่าล้านเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเลยท่านพระก็ยังอยู่นี่คือวิสัยทัศน์ใช่ไหมท่านคือการกำหนดเป้าหมายนโยบายพอทำเสร็จนี่คืออาการที่ว่าเนี่ย แบบยุโรปนะผสมทั้งในให้ให้สิ่คมศิลประด์มาทำประวัติทะเบียนพระทั้งหมดเลยเป็นพิธภัณฑ์นี่พระทองคำก็มีแล้วมีคนบริจาคเพิ่มเนี่เป็นทองคำสูงเท่านกุนาคามอายุพันปีให้ให้ให้ร้านทองที่ภาวรัฐยิงเลเซอร์ทองคำเก้าสิบแปดเปอร์ซ็คนเอามาถวาย อ, าอะไรต่างๆแล้ว อสาสามัก็อัญเชิญพระส า, ารีริกธาตกลับขึ้นไปไว้บนเจดีย์ตอนทาสีเสร็จเนี่ยตรงเนี้สมเด็จพระเทพพระรัตนชุสุดาเสด็จอัญเชิญขึ้นเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จมาถึงแก่นกลางพอทําทางนี้เสร็จเหลือจุดสําคัญที่สุดแก่นกลางคือบุรณทั้งหมดเนี่ยทั้งอาคารทั้งอะไรต่างสาล้านส่วนแก่นกลางนี่หกล้านไม่มีใครอยากมาทำเพราะมันแคบ แคบมากแล้วแล้วกรมศิลป์บอกต้องใช้แม่แรงยกอย่างเดียวอามาตมาสรุปเลยว่าในสุดเราใช้แม่แรงเนี่ยนะดันให้ตั้งดังเดิมเนี่ยสามตัวแล้วก็ดึงอีกสามตัวตั้งดังเดิมแล้วก็เสริมฐานตรงนี้เอาเหล็กดามอย่างนี้เนี่ยของเหล็กเป็นเป็นอิดเปลือยหมดเลยท่านในเนี่ยไม่มีปูนฉาไม่มีอะไรเลยแล้วเข้าไปชมได้แห่งเดียวในประเทศไทยเป็นอเมซิ่งเลยแหะ ได้รางวัลอนุรักษ์ยอดเยี่ยมจากสมเด็จพระเทพนะโดยสถาปัตสมาคมสถาปนิกสยามเสนอแล้วเขาก็ส่งประกวดยูนสโกท่านในปี2556เราได้รางวัลอนุรักษ์ยอดเยี่ยมจากยูนสโกเป็นอวอร์ดอันเป็นรางวัลที่หนึ่งยูนสโก้ให้รางวัลที่หนึ่งเลยโดยประเทศไทยเคยได้รางวัลมาเก้าครั้งก่อนนั้น เช่นพระราชวังโบราณที่วัด อ, อ, อ, อรุณได้แค่รางวัลที่สามที่สองก็ไม่เคยได้ที่หนึ่งก็ไม่เคยได้ก่อนนั้นเก้าันเจดีย์อนิรท่ทนได้รางวัลที่หนึ่งของยูเนสโกยอดเยี่ยมันดับหนึ่งเนี่ยอวอร์ดเอเวกเเเนี่ยเขาประกาศสดุดีปี2013จากที่เราเริ่มโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแต่เราบุ่งไปสู่เป้าหมายของการทำให้เป็นประโยชน์ที่สุดทั้งหลายทาดีให้ถูกดี ให้ถึงดีแล้วก็พอดีมีคนมาบอกว่าท่านสงสัยจะมีกลุอื่นอีกเจาะกันดูไหมพอแล้วเจดียพันคนพอดีได้รางวัลก็เลยกลายเป็นแลนด์มาร์กเนี่ยนะเจดีวัดประยูนเดียวนี้คนทั่วโลกพอเห็นรางวัลยูเนสโกก็มากันใหญ่เราก็จัดงาน190ปีปีนี้เนเราจัดงานมาสีหปีตังได้รางวัลวันที่12 1 4ถึงท่านไปชมพิธภัณฑ์ได้เจดีก็เข้าได้ วันนี้เริ่มงานแต่ว่ามาเทศให้ที่นี่ก่อนเพราะจะมาโฆษางานนี่แหละก็พูดมากันจบแค่นี้พอดีเลยทำดีให้ถูกดีถึงดีและพอดีในที่สุดนี้ก็ขออำนาจเอกุลประสีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมาเพื่อประเทศชาติพระศาสนาจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอานยอวยพรให้ทุกท่านทุกคน ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานสมบูรณ์ในลาบยศสุขสรรเสริญทุกที่พาราตรีการมีอายุวรรณัสุขะพลรัตปฏิพานธรรมศสารสมบัติาศาสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบเรธรรมก็ขอให้ความปราถนาะนั้นจงพันสําเร็จจงพันสาเร็จจงพันสำเร็ จ, จ, ส, ร จ, จ, ส, รจสมมโนโรถมุ่งมาศปรารถนาทุกประการตลอดปีใหม่และตลอดไปเทิน